เรื่องที่จะพูดคุยกับพวกเราวันนี้ก็คือเรื่องของการประกันคุณภาพในการเทศซึ่งปกติเราไม่เคยได้พูดถึงกันว่าเวลาเทศเนี่ยมันก็เหมือนการสอนผู้เรียนจะได้ประโยชน์แค่ไหนเพียงไรก็อยู่ที่เราเตรียมการสอนดี อย่างวันนี้ที่ผมมาช้าหน่อยกับเรากผมเตรียม powerpoint กว่าจะเสร็จก็กินเวลานิดหนึน่งเพราะว่าแต่ละปีเขาก็จะปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ไม่ได้พูดซ้ำนี่ก็คือการประ ก, กาศคุณภาพว่าเมื่อพวกเรามาเรียนวิชาการเทศาในชั่วโมงที่ผมบขยาย ก็จะต้องได้ประโยชน์ได้สาระการที่เราใส่ใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการพูดการเทศเราเรียกว่าการใส่ใจคุณภาพเพื่อให้ผู้ฟังผู้เรียนได้อะไรใหม่ๆได้สิ่งที่เป็นความรู้เพิ่มเติม ฉะนั้นในการเทศของเราแต่ละครั้งถ้าท่านใส่ใจเรื่องคุณภาพเนี่ยมันก็จะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนผู้ฟังยังจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองเพราะท่านจะพัฒนาตัวเองตลอดเวล า, ลาแล้วก็คุณภาพไม่ใช่ปริมาณปริมาณเราพูดสักหนึ่งชั่วโมง แต่อาจจะไม่ได้เนื้อหาสาระและ้วก็หรือถ้าเนื้อหาสาระมากไปคนฟังอาจจะรับได้นิดเดียวไม่ถึงห้า็มันก็ไม่เกิดคุณภาพอีกคุณภาพมันจะต้องมาจากหนึ่งเราเตรียมตัวเราเสนอดีอันที่สองผู้รับสารรับคำสอบเนี่ยรับเต็มที่และเราก็ไม่ได้ดูแค่นั้นอีก เขารับไปแล้วนี่เขาเอาไปปฏิบัติไนะมันเกิดาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาไหมคาว่าปฏิบัตินี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเขาอาจจะมีความสุขมากขึ้นอะไรแค่ความสุขในใจนะเขามีความสุขแล้วก็อยากฝังเพศต่อเราพอเราเพศครั้งต่อไปเขาก็มาจริ แค่นี้มันก็เป็นการบอกคุณภาพเราฉะนั้นก็ในฐานะที่เราอยู่บานอย่างใหม่ๆอาจจะมีคนฟังไม่ถึงสิบคนแต่ถ้าเราเทศประจำอยู่เรื่อยๆเนี่ยคนมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเรามีคุณภาพมันเป็นการประเมินด้วยผมเทศทุกวันพักสิบห้าคำ พอคนรู้ก็มาฟังฟังฟังแล้วก็จำนวนมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนห้องอที่เราเทศเนี่ยก็คือวิหารคนตอนนี้กำลังซ่อมหมดเต็มแล้วท่านั้นยังไม่พอถ่ายทอดสดทางออนไลน์ใหม่ๆอาจจะมีคนฟังรักไม่กี่ร้อยคน ก็ยังดีเหมือน ก, กับเราเทศในในในในที่วัดเนี่ยจํานวนเท่านี้เป็นร้อยแต่มันขยายไปพร้อมๆกันคนฝั่งเนี่ยอีกหลายร้อยในขณะที่เราเทศแล้วต่อมามันได้จำนวนเป็นพันแล้วก็เพิ่มเป็นหมื่นในขณะที่กาลังบันใหญ่แล้วก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทย ลูกศิษย์ในอเมริกาเขาบอกว่าขได้ฟังพร้อมๆกันที่ผมเทศเลยว <c oughs> ่าพระบางรูปบอกอยากให้แปลเป็นภาษาอื่นด้วยจะได้ฟังพร้อมกันทั่วโลกมันก็ขยายไปเรื่อยถ้าเรามีกำลังนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าผมเทศดีเทศเก่งอะไรแต่ผมประกันคุณภาพให้กับตัวเองว่า ในการที่ผู้ฟังมาฟังผมเนี่ยที่เราเรียกว่าต้องไห้ผิดหวังเขาเขาคาดหวังอะไรเขาต้องได้เราต้องกินถ้าทำให้เขาผิดหวังเรื่อยๆมาแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยต่อไปเพื่อจะลดลงไปเรื่อยก็เรียกว่าเหมือ น, น, นาน <c oughs> ไปแล้วคิดว่าจะอร่อยปบอกฏวันนี้กุ๊ปนอนหลับ ตัวสำรองก็ไม่ได้อาหารที่เขาอยากจะทานเพราะคนสำรองเป็นพรอบครัวสำรอง ม, มาทำแทนการเสิร์ฟก็ไม่มีอัรยาสัยที่ดีแล้วแต่อารมณ์ก็ไม่ประกันประกันคุณภาพก็คือว่ามันจะต้องเสมอต้นเสมอปลาย ทำไมร้านสรุปซื้อที่ผมไม่เอ่ยชื่อแลการที่กระจายไปอยู่ตามตลาดตามทั่วประเทศบ่อหิวมอะไรก็แวะมาเขาประการคุณภาพทันเือถ้าเข้าไปแล้วสินค้าไม่มีอยู่บ่อยๆันใครอยากจะไปหิวแวะมาแล้วหิวทับตายไอ้ที่เราอยากจะซื้อไม่ดี เพ ะ, ะนั้นอยู่ในนกอยู่ในป่าเขาต้องส่งให้ถึงท่านไปที่ไหนอยากจะได้สิ่งที่ท่านเคยซื้อประจํามันมีสแสดงว่าระบบของการลําเลียงส่งสินค้าเขาเอาใจใส่สินค้าหมดอายุเขาเอาทิ้งไม่ขายสินค้าหมดอายุ การบริการการทักทายยิ่ยมเยมแจ่มใสของพนัก ง, งานเหมือนกันหมดแล้วถ้าเปิด24ชั่วโมงก็คือ24ชั่วโมงเหมือนกันหมดไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพนัก ง, งานขี้เกียจก็นอนหลับปิดไม่ใช่เพราะเหตุนี้แหละครับมันจึงทำให้บริษัทเนี้ยร้านเนี้ยโต โตในบรรดาบริษัท ต, ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เข้าไปบริษัทหาชนลรายได้ของเขาเป็นอันดับสองของประเทศไทยทยอดขายร้านเล็กๆในที่ท่านเห็นเนี่ยแต่สาขาเขาเป็นหมื่นันหลายเป็นหมื่นทำให้รายได้รองจากน่าจะาบตทหรือ บริษัทของได้ไม่ใช่ปาตันองครับน่าจะเป็นเอ็นอุลซิเนตขายของฉันเนี่ยเหตุเพราะเขาประกันคุณภาพมันเหมือนกันหมดเวลาท่านเทศไม่ว่าเทศที่ไหนคุณภาพหมายถึงตามมาตรฐานของท่านเหมือนกัน เราเราก็จะเห็นว่าคนมันจะตามความเองเขาเรียกประกันคุณภาพนะครับอารักคำคำที่ที่จะใช้ก็คือประกันคุณภาพทีนี้ประกันคุณภาพเนี่ยเราวัดจากอะไรในหลักสากล น, นะครับเขาวัดสี่เรื่องหรือสามเรื่องก็ได้สามข้อแรกก็ได้หรือข้อที่สก็ได้คาว่าปัจจัยนาเข้าหมายถึง การลงทุนของผู้เทศเอาุอเทศท่านเตรียมอ่านมาแค่ไหนค้นมาแค่ไหนรวบรวมข้อมูลพุทธภาษิตนิทานประกอบหรือเรื่องราวเหตุการณ์าเรนฐานต่างแล้วก็คำอธิบายในยท่านอ่านมามากมายแค่ไหนไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาก็ ขึ้นธรรมะเลยนึกนึกไปนึกบทธรรมะเลแสดงว่าท่านไม่ลงทุนอย่างผมจะมาบรรยายท่านเชาน้านี้ผมต้องนั่งทำ p เ w า r อกไว้ประมาณเกือบสองชั่วโมงยอมไม่ลงธรรมะเช้าเลยเพราะว่าไม่งั้นพวกท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราท่านมาไกเห็นไหมแล้วแตผมเนี่ยทำได้สองชั่วโมงเพราะว่าผมผ ม, มีข้อมูลเยอะ เพียงแต่มาจัดระบบนะให้มันเป็น PowerPoint แต่ถ้าเราเป็นมือใหม่ขัดขับอาจจะต้องอ่านมากค้นมากถ้าท่านจะสอบนักขับท่านยังต้องอ่านต้องค้นเลยแล้วนี่ท่าจะพูดจะเทศท่านก็ต้องอาา่านต้องค้นในเรื่องนั้นเนี่ยครับเช่นเรื่องสาข่าวัตถุ อยากจะทเทศเรื่องสารวัตถุท่าดีที่สุดคือท่านไปฟังที่คนอื่นของเทศแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ฟังคนเดียวนะครับถ้ามีสักห้ารูปที่เขาเทศไปแล้วท่านก็เอาห้าสำนวนมาฟังถ้าเขาเขียนไว้แล้วก็เขามาอ่านสักห้าเล่มสิบเล่มในเรื่องเดียวกันมันก็จะทําให้ท่านเกิดความเข้าใจในแง่มุมต่างๆในเรื่องเดียวกัน เพราะคนนี้ก็อาจจะเน้นเรื่องนี้ด้านนี้เรื่องทานอาีกคนนี้อาจจะเน้นเรื่องอัตถะจริยาเราก็จะได้ภาพรวมที่ครบถ้วนแล้วถึงเวลาท่านจะมาเรียบเยรียงยังไงให้มันอยู่ในในเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงมันไม่ใช่เอาเนื้อหาทั้งหมดประเทศเราก็จะต้องมากรองนะครับนี่คือ ปัจจัยนำเข้าก็คือการเตรียมแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเตรียมตัวด้วยก็คือท่านจะขึ้นสามารถจะลายตั้งหน้โมงให้ับานอย่างไนบาลีนิเทประหมดอย่างไรเรียกหมดจัญญานักเทศจะต้องทำบรยายญถาสพัพพีถือว่าเตรียมยุบสำหรับนักเทศหน้าใหม่ <c oughs> นี่คือปัจจัยนำเข้า สอปัจจัยกระบวนการหมายถึงขั้นตอนในการเทศทำจริงๆเวลาท่านให้ศีลแล้วยังมีศีลอุโบสถ อ, อีกสรุปศีลอุโบสถเนี่ยไม่ใช่ศีลแปดจิตมังคทั้งคัศมาคัตานุถังปัญญาตังโมโสถังเนี่ยเราก็ต้องท่องไปตั้งนโมเอกอุทเทศนิเทศปฏิอุเทศเทศไปตามลำดับกระบวนการก็หมายถึงเทศจิต มีนิทานสอดแทรกไหมมีภาษาที่สลับสลวยไหมมีอารมณ์ขันหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกับปัจจัยนําเข้าเหมือนกับไปจ่ายตลาดข้อหนึ่งเลยครับเพื่อปรุงอาหารไปซื้อมอาเลยนะครับสูตรต้มยำกุ้งจะต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็ซื้อมาส่วนปัจจัยกระบวนการนี้คือต้อ ม, มต้ยมยำทำต้มยำปรุงจริง ในในครัวอันนี้คือโรุงจิตรบวงการแล้วเสร็จแล้วก็ตัดเอามาให้ผลกินเขาเรียกผลผลิตได้ได้ต้องยามาหนึ่งหม้อตัดแจกกันนั่นคือผลผลิตหนึ่งหม้อเนี่ยต้องอยำ ก, กุ้งไอ้ที่เราไปซื้อมาแยะแล้วไม่ใช้ไปเยอะตัดใร้บางทีก็ต้องเอาไว้งานต่อไปกุ้งก็ซื้อมาเกินก็เก็บไว้เห็นไหมครับ คือข้อหนึ่งเราค้นมาเยอะแล้วเราก็เอามาใช้เฉพาะหม้อเดียวเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ข้อหนึ่งนะประจัยนําเข้าข้อสองเราปรุงจริงได้ต้มพอปรุงเสร็จกบบระบวนการบางทีมันน้ํามันต้องร้อนดีนะครับถา้าเกิดใส่ปลาใส่ปุ้งไปตอนน้ําไม่ร้อนมันขาวเห็นไหมไม่เช่นนั้ฝีมือมันจะต่างกันอีกกระบวนการาในการปรุงเค็มไปเปรี้ยวไปอะไรต่างนี่มันอยู่ที่เราใสา่ อันนี้คือข้อสอบเทศต่างกันารปฏิทานเหมือนกันแต่เล่าแล้วองฝไม่รู้เรื่องอีกคนนึงพูดตลกอีกคนหนึ่งเอาเร่าเสียงเรื่องเวลาเ <c oughs> ล่าเรื่งองเสดิศานนี่คือข้อสอบส่วนข้สามนี่หมายถึงผลผลิตที่ไปถึงคนคนชิมเขาทานแล้วมันลิ้นถูกปาถ้าถูกปากเขากินหมดเลยต้มยำเราเนี่ย <c oughs> โอ้ยคนทําก็ชุ่นใจเนาะ หายเหนื่อยแต่ถ้ากินแล้วแอบยืนเทให้หมากินอย่างเงี้ยแล้วหลังเราเลยโหถ้าเราเห็นทุกบดท่าเลยมีพระเอื่องรว่าเป็นโยมโยมก็ประดุบประดุบอุยประดุบยากเนี่นะมถวายเพจแล้วประเขีก็ห ว, วานไยโยมก็กรวดน้ำยงไม่ยาถาสถี ยนกรวดน้ำพอกรวดน้ำเสร็จหันมาอีกทีแมวฉันได้เรียบร้อยแล้วไอ้กระดุกไม่รู้จะบอกโยนยังไงเลยโอประดุกเวลายโยโนโรถามตื่นใต่ตอบยังหันก็ไปถามแมวอีกทีนึงเธอไรไเรียกว่าผลผลิตมันจะต้องถึงคนแเราสารเทศแทตายหลักเกื่อบหมดสลายอย่างเงี้ยท่านโอ้ผลผลิตเรา ไม่เป็นที่ต้องตาหรือไหนมันเหนื่อยเนอะบางทีคุยแข่งทักอีกอ่ะ hmm. อุตส่าห์เตรียมอย่างดีแล้วเทพอย่างดีแต่พอเห็นเรามาแทนไยแทนอ่ะโอ้ไม่มได้เลือกเแข่งเราคุยกันนะคุยกันนะแสดงว่าผลผลิตเราเนี่ ย, ม, ยมันไ่ถงใหญ่ <c oughs> ผลที่ตามมาึือข้อเสีผสมกับทุก ก็คือเขาไม่ประทับใจและก็ไม่ได้ฟังหรือาหรือถามว่าคิดดีไหมงั้นงั้นเขาหลังอย่างนิมนต์ไปอีกนะผลกระทบแย่เลยนะแสดงว่าผลกระทบก็คือกิตติสัโพกกโภอภุกตะตุชื่อเสียงกิตติคุณกระจายไปว่าอย่างนิมนต์อีกปากต่อปากครั้งเดียวพอแล้ว ผลก็คือเขาก็มาแนะนาว่าท่านเอาดีทางอื่นถึงเป็นเกจิก็ได้ไม่ต้องพูดนะกรุ๊กเอาอ น, นาคตจะรุ่งกว่าแออสดงว่ายัางไงผลผลกระบก็คือสิ่งที่ต่อเนื่องจากที่เราไปเทศไปพูดมันไปเปลีป่ยนแปลงชีวิตคนไหมมันทำให้เขามีความสุขขึ้นไหม และเขามีความต้องการอยากจะฟังเราเพิ่มไหมกินนิโมลราเพิ่มไหมวัดหมดเลยนะครับเนี่ยที่ท่านเรียนจบไปเนี่ยก่อนเรียนเนี่ยเคยมีคนนิมนต์ปีละกี่ครั้งเรียนจบแล้วก็เท่าเดิมคือไม่ น, นิมนเลยมาเรียนถามไปจริงไหมจบไปแล้วปีหนึ่งได้เท่ากี่ครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้ า, า อ, อ, อ า, า ว, อ mm hmm. วาสบอสอาพาธเลยด้เทศแล้วอาจารย์ไม่ได้เทศเลยเหรอผลกระทบท่านหลักสูตรีปิดได้แล้วนทท่าเป็นอย่างนั้นท่านจะประเมินได้เสียงเงินเสียทองเสียเวลาของท่าเนเรนียนแล้วมันไม่ได้มีผลการเาเรียกผลงานน่ะไม่มีผลงานอะไรเลยเหรอแล้วจะทำไหมอ่ะแล้วสอนทาไมอีก รวมถึงต้องประกรันหลักประกันคุณภาพหลักสูตรนี่ย น, นึน่งปีในมตสองปัจจัยนำเข้าคนมาสองเอาใครก็ไม่รู้สมมตินะตัวจริงก็ไม่ไหนมาไม่แต่ชื่อเขาต้นบัณิตนังนนั้นโว่ที่โครมา ก, ก็ดีแล้วท่านอยากเรีกนว่าไม่จว่าอะไรยังไงนื้อผือไปอเลยเลยซองพาไปมาให้กับมูเลเร็วท่าน เดี๋ยวอาทิตย์จะโฆษณาฟรีแบบว่าอู้ถ้าพ ร, รบดิบมาสอนนีโทษไม่ได้สอนเพื่อนง่ายๆครับผมแบบคุยไว้กับเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วนี่โอ้ผมสมคโสาโฆษณาเห็นไหมเออปัจจัยนําเข้าดีนี่แล้วยังมีอะไรอีกท่านถ้าพรบดิบมาแต่พูดประเด็หยินไม่ได้เรื่องไม่ฮอนมะเฮาเา น, านี่ยปัจจัยนําเข้าไดีไม่ลงทุนเห็นไหย หลวพ่อเป็นยานังชาตตอนที่อายุมากๆเสียงไม่ไดีเขาเอาไมาล์ราคาหลายแสนเลยท่าท่านพูดปรุงวคงมันเสียงมันกลม ก, กล่อดีตะกอนอันนี้เ้าลงทุนขึ้นดารานักร้องเนี่มยมของคำอนะโอ้ยมันเอ็กโค่มันอะไรปรับได้หมดเลยท่านไมล์ช่วยกันเออเราน้าไม่์ี่จะลองลงทุนนึงก็ได้แต่จะคุ้มหรือเปล่าจะคุ้มข้าวไมล์นงอันนี้เ็าเรียกปัจญานางเข้า หลักูตรนี้โฆษณาว่าจะมีรูปนั้นนะคนนี้คนนี้มาสอนมิจฉาเนี่แล้วมีต่างนั้นเออมีคุณภาพบอกว่าจะสอนกี่ชั่วโมงแปดสิบเปอร์เซนตต้องเรียนตังกระบวนการเขามาสอนจริงไม่ใช่มีแต่ชื่อมาสอนจริงเลยแล้วมีแบบมีภาคภาพปฏิบัติก็เนี่นนนยนะโอถึงเวลาท่ามีภาคปฏิบัติไม่กระบวนการไม่ใช่แต่ทฤษฎีตั้งปฏิบัติแถมนั่งกรรมฐ า, านด้วย เห็นไหมั่นจริงปะจริงสแสดงว่ามีคุณภาพเห็นไหมข้อสารปัจจัยผลผลิตไอ้ตรงนี้นี่คิดแบบไหรับมาหกสิบเนาะถ้าจบหกสิบนี่สแสดงว่าคุณภาพผลผลิตเต็มร้อยนี่เหลือเท่าไหร่เนจะรับเท่าไหร่หกสิบเห็นไหมนี่ปัจจัยผลผลิตชัดชัดลดลงวันจะนัดรักษาสุขภาพนะครับ <c oughs> เออให้ชื่นใจหน่อยนะฮูจบสี่สิบแปดก็ยังดีละจากหกสิบเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าปัจจัยผลผลิตไม่ใช่รักมาแล้วนะครับหกสิบจบหกลูกคุ้มไหมไปทำยังอือนดีกว่าเอาห้องให้ให้เรียนนะครับห้องแอด้วยเห็นไหมเขาเรียกผลผลิตไอตรงนี้แหละครับที่เราบางทีเนี่ย พาใจใช่ไหมสอนนักธรรมสอนในภ ร, รษาสิบรูปส่งเข า, ขาสอบสิบขาดสอบหกเนี่ยคงสอบสี่สอบได้หนึ่งผู้ผลผลิตไม่ดีเราเหนื่อยใช่ไหมขาดวัดเองเนี่ยจัด ก, การสอนอย่างดีเราอะไรก็ดีปัจจัยนำเข้ามันไม่ได้อยู่ที่คนสอนเดียวยววอยู่ที่คนเรียน ถ้าเราสอนนักธรรมนักทำรีรับเดนมาเรียนนักทำรีอา่านภาษาไทยไม่ออกจบป .4 ป .6 ปจิตมัได้อย่งไรก็ไม่รู้อ่นานไม่ออกก็ามาเขียนอ่ะโอ้ผู้ ก, ก่อมบกชักแล้วชาติไหนท่านจะสอบได้แสดงว่าท่านจะต้อง มีปัจจัยนำเข้านะักเรียนเนี่ยที่มันมีพื้นความรู้ดีทําไมโรงเรียนที่มันมีชื่อเสียงโรงเรียนมัธยมเด็กเน่ยโอ้ยเด็กแค่์เข้าเรียนพล่อยเพราะมันเลือกเกรดเมาเลยพวกเกรดเอเนี่ยมาเข้าเรียนเพราะเด็นพวกนี้เรียนจบมัมปลายสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้หมดภาษาอังกฤษก็เก่งมาแต่ต้นอันนี้ก็ปัจจัยหนึ่งครับถ้าวัดไหนนะครับมีคนมาบวชเนี่ยนะ เป็นพวกมีความรู้สูงจบปริญญามาอะไรมามาบวชวัดนั้นคึกคักครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ที่มาบวชนี่คือไปไหนไม่ได้แล้วพ่อไม่บังมืไปบวชใส่มาเต็มวัดหมดแล้วท่านลองคิดดูสิวนะัดนั้นจะเป็นยังไงแถมหายยาบ้าเขาไปอีกเป็นนินาบาาใช่ไหมเอายาบ้าใส่ขนุนเน่ เจ้าวาดรู้จดหน้าไว้ไหนเลยออกทีวนีนี่คือปัจจัยนําเข้าปัจจัยกระบวนการปัจจัยผลผลิตผมพูดแล้วเรื่องกระสุนนี้ปัจจัยผลกระทบแต่ถ้าอยู่มาได้ถึงหกรุ่นนี่แสดงว่าผลกระทบดีนะเพะไอ้รุ่นเมื่อก่อนไม่คงจะเข้าท่าบ้างแบบมันถึงได้มาเรียนกันเนี่ยไม่งั้นหลอกไม่สําเร็จหรอกจะรอเรุ่นแรกกันแล้วเห ตอาา น, เ, นอเรื่องสองก็ไปสบายไม่เบื่อเลยวัตถุนแสดงว่าผละะกระทบดีมันก็เลยหลักสูตรนี้อยู่กันได้รวมนี่ผมพูดถึงว่าแม้กรทั่งการจัดการศึกษาก็ต้องประกันคุณภาพเรียนนักธรรม ก, ก็ประกันคุณภาพเทศก็ประกันคุณภาพต่อไปครับปัจจัยหลังเข้าคือการลงทุนที่ท่านอนุโมทนาทุกรูปนะครับที่มาเรียนที่นี่แสดงว่าท่านกํนกลาลังลงทุน ลงทุนเป็นอะไรครับเพื่อท่านจะมาฝึกให้ตัวเองยังมีความพร้อมหาความรู้มาใส่ในตัวท่านหาข้อมูลหาอะไรต่างเนี <Northern> <him> <okay. S 1> ่ยเอามาเพื่อท่านจะเป็นนักเทศที่มีคุณภาพท่านก็ลงทุนมาเรียนคําว่าลงทุนของท่านนี่ไม่ใช่จะพิ่งเสียเงินเสียทองค่ารถอย่างเดียวเสียเวลาอย่างเดียวนะครับเสียโอกาสด้วยเพราะการที่ท่านมาที่นี่เนี่ยแสดงว่าขาดส่วนมนฉันเพลเพื่อนเสียหมดแล้ว จริงไหมเพราะฉะนั้นมันต้องวัดด้วยนะครับที่ท่านขาดรายได้ประจำเนี่ยวงเล็บถํามีวงยกถ้ามีอะไรจะทำก็มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคำว่าเสียโอกาสเนี่ยมันจะต้องมาเป็นทุนด้วยเหมือนกับเวลาที่ท่านรับเทศเนะครับการที่ท่านรับเทศงานนี้แสดงว่าเสียโอกาสที่จะไปงานอื่นวันนี้ผมมาบรรยายให้ท่านเนี่ยต้อง บอกล้ว่าผมก็เสียโอกาสที่จะต้องไปทำงานอื่นที่ค้างอยู่แล้วถ้าเกิดผมมาแล้วไม่มีนักเรียนไม่มีพวกท่านมาเรียนผมก็มาเสียเวลาเปล่ามันเสียหลายอย่างเห็นไหนี่คือการลงทุนแล้วการลงทุนยังหมายถึงการเตรียมตวยัวอีกนอกจากเรียนวิถีเทศแล้วท่านจะต้องเรียนจะต้องอ่านต้องศึกษาต้องค้นคว้า เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วมันมีสเรื่องนะครับเตรเตรียมหนท่านหาความรู้หาประสบการณ์ไขตัวอย่างที่ท่านมาเรียนเนี่ยเอาไว้ใช้เตอนนี้ยังไม่ได้เทศกะไม่เป็นไรมาหามาความรู้ประสบการณ์ข้อสองครับหาความรู้ที่คนอื่นเขาทำเอาไว้เนี่ยมาสะสมคืออย่างไรเช่นผมมาบรรยายให้ท่านฟัง ท่านอาจาจะจาไม่ได้หมดจบไม่ได้หมดบันทึกเทปต่อไปถ้าท่าน อ, าอยากจะฟังซ้ท่านก็ฝังซ้หรือท่านอาทิตย์เขามาถ่ายทอดอย่างเี้ยมาอยู่ในเว็บครั้งเขาใน Facebook เขาท่านก็มาเปิดอ่ารั้งนี่เรียกว่าอาศัยความรู้ผมสองผมไม่ได้จะบรรยา ย, ยาเดียวมี CD อีก MP3 มีเทศปาสกาถาสองร้อยหกสิบสองเรื่องแล้วบังเอิญว่าท่านยังไม่มีเวลาฟังทั้งหมดแต่ในอนาคตมีคนเขาที่นเทศสมมติว่าเรื่องทศพิทราชธรรมจะเทศยังไงทศพิศัุราชธรรมไปเปิดดูบัญชีรายชื่อในนี้มีด้วยฟังเลยเขาเรียกว่าท่านเตรียมอาศัยความรู้คือสะสม VCD CDMP3 อมพสามหนังสือเทศนาที่วัดประยูนพิมแจกอะไรต่าเก็บไปให้หมดเลยเพอออกพรรษาพรนิมนเทพอนิสงส์กระินอนิสงฆาป่ามีไม้ทานานินสังสกถาไม่ได้ตา่าครับเห็นไแต่ถ้าเกิดถึงเวลาแล้วจะเทศอ น, นิสงส์กระถินมันอยู่ที่ไหนเลี่ยงเชียงจงจริดง กูอาจะไปหาเจอหรือไม่อยู่ที่ไหนแต่เสียเวลามาอพอดีไม่ทันแหละแต่ถ้าท่านมีอยู่ที่วัดบอกใช่หรือท่านค้นทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเซฟเอาไว้เก็บเอาไว้เอาไว้อย่าให้ไวรัสกินเทอเวลามาเปิดทั้งฟังเสียงต้องอ่านต้งอะไต่างคนอื่นกว่าจะเทศได้อย่างเราเนี่ยห้าวันขั้วมนแต่ไปหาอยู่ ปรากฏว่าของเราวันเดียวสองวันข้อมูลพร้อมขุ้นเทศเลยแจ้งเกิเลยนะโอ้สือสุ่มเข <c oughs> าสั่งผมไปนี่ฉนันอย่าประมาทนะครับเก็บให้หมดความรู้อะไรนี่ไหนบันทึกได้บันทึก <c oughs> นี่เขาเรียกว่าจาัดเตรียมอาศัยความรู้ของเขาดื่อเป็นปัจจัยนำเขา้าทั้งหมดที่ว่าที่อาศัยความรู้เ ข, ขาื่นเขาเรียก จัดการความรู้ความรู้มาสเปซสปาท่านแต่เราเอามารวมไว้เพื่อเอาไว้ใช้เหมือนเงินอ่ะเงินมันไม่รู้อยู่ตรงไหนโกรกินมากเล็บมางเราเอาไปฝากธนาคารไว้บัญชีเดียวถึงเวลาเบิกกดเอทีเอ็มอะไรเขาเจัดการไม่ก่อนไปไหนก็ไปตัดคบเงินเสียบบัตรกดนี่เขาเรียกจัดการกัรเงินความรู้ก็เหมือนกัน ความนึกความรู้มันอาจจะกระจายที่ไหนก็ไม่รู้เราเอามารวมไว้ในที่เดียวกันที่อุติเราในหรือในคอมพิวเตอร์เราในอะไรนั่นหาความรู้ที่ถูกต้องเลยนะยากความรู้เกนะ๊เลยเอาที่น่าเชื่อถือนักเทศี่ต้องระดับไหนเอามาถานความรู้แล้วมันตรงกับเรื่องที่เราจะต้องใช้สักกว่าหนึ่งถูกต้องนี่คือถูกถูกงานด้วย เพราะฉะนั้นเราปกติหนปีเราจะเทสกี่งาน<ม>วิสาขา์อาสาขะมีหมดนี่เรื่อ ง, งต่างๆนี้เก็บไว้หมดตรงงานงานในรอบปีของเราเราไม่ได้ขึ้นเทศเป็นไรวันหนึ่งถ้าขึ้นเทสเรามีครส์สเขาเรียกว่าหาความรู้ที่ถูกต้องให้ถูกคนที่ต้องการใช้คือเราเราจะใช้ทําอะไรใช้เทสโอ้เรื่องอย่างนี้ ให้อวาจนักเรียนมีหมดแม้กระทั่งถ้าเป็นวิธีกรนั้นฝังลูกนิมิตมีภาษิตมีคำคมมีอะไรพร้อมเป็นวิธีกรหมดเลยในฐานะวิธีกรเราก็มีหมดเห็นไหมในฐานะให้อวาจนักเรียนแทนเจ้าวาดหรือเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วเป็นเจ้าตะมนอยู่แล้วเราก็พร้อมใช้ ถูกคนที่ต้องการและถูกเวลาที่ต้องใช้ไม่ใช่หาได้จริงแต่แต่ว่ากำหนดงานเสร็จไปแล้วกว่าจะค้นเจอนอะไม่รู้อยู่ที่ไหนกว่าจะหามาได้โอ้ดีและกูการนี้เคยมีพระบรหมบดีเทพไว้เสียดายเลยนานเนี้ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าจัดการความรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเตรียมปัจจัยนําเข้านี่ข้อแรกนะครับ ปัจจัยนำเข้าที่ทําให้ประกันกระตภายสองเพราะอยนั้นท่านที่ที่ท่านจบเนี่ยมันก็เป็นกระต่าที่กำลังนั่งจบเนี่ยมันอยู่ในเรื่องปัจจัยนํเาเข้านะจำไว้ดีกว่าจบถ้าจําไม่หมดจดไว้ดีกว่าจับเพราะมันลืมไอ้ที่ว่าจําวันนี้เดี๋ยววันอื่นมันจะเข้ามาแทนแทนแเพราะฉะนั้นจดไว้ดีกว่าจําแล้วก็ต้องจําให้ได้ว่าจบไว้ที่ไหนด้วยนะครับ บาคทีไม่รู้ว่าไันอยู่ตรงไหนไฟล์ไหนในคอมพิวเตอร์หากเกือบตายสมัยก่อนล้มตาแพ้เยอะไหมนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์คผมอยู่กับลุงตาเมครพูพิ่สันทำมาโบสอนคณะเก้าวัดไปอยู่ท่านเป็นนักอ่านท่านล้มตาเนี่ยจบแค่นักทอีกนะครับไม่ได้ไปรเรียนตกแต่หนังสือล้มตา เอาเปสร้างเขาเอาเปสร้างหนังลุงตาที่ร้อนตอกเล็กก็กระตาทองเล็กร้อนตอกเล็กเยอะแยะไม่ได้เป็นไม่ได้กระตาทองมาได้กระตาทองหังลุงตาเป็นพระได้นะถึง้อตอแล้วเป็นหนังสืออ่านในชั้นมัธยมด้วยหนังสือชุดลุงตาแล้วท่านเทพดังมากเทศมหาชาติเป็นชาววิทยาผมอยู่กับท่านเนี่ยมันก็สึนทันะครับ ผมสังเกตแล้วก็คีดเสด็จตายหนังสือนี่สะสมแล้วผมเห็นดอารี่ลเลี้ยก็ะเป็นตับเลยผมก็ท่านมาวางวางแดอารี่ผมก็มาเก่าๆก็มีปีก่นกอนๆผมก็หยิบมาดูข้างในมีแต่จดบันทึกเรื่องที่ท่านอ่านจดบันทึกว่าอ่านของข้อคุอ้างงานค่าอ่านของใครกมันจดได้หมดเลย แล้วท่านก็เอาไปเทส์ด้วยสองโนของท่านที่ท่านบรรทึกกับท่านไปในรอบของมาน่ะพอมันเทึกเสร็จแล้วท่านก็นมาเปิดดูบ้าแล้วท่านก็ไปเทส์ผมก็นินทาในใจต่างๆาลุงสานี่ซื้อถูกขายแพงไปซื้อหนังสือมาเล่มเดียวแต่ว่าเรามาเทส์ได้การเป็นมือเห็นไหมเรื่องที่เขาลืมเขาเขียนอะไรเนี่ยซื้อมันไม่กี่บาทเลยแล้วเอามาเทส์เอามาบรรยายแพง เราก็เาขอ้อสิเออนึกในใจนี่เรียกว่าการจัดการความรู้ทีนี้ความรู้ที่ท่านจะต้องมีมีอะไรบ้างเราตามหลักเลยครับหนึง่งท่านจะต้องแตกฉานในอัดแตกฉานในธรรมสองข้อนี้มันเกี่ยวข้องกันนะครับหัวข้อธรรมะเช่นไอ้รวะ oh. โปวะเนี่ย ตั้งแต่บทสองไปเรื่อยไปบทหนึ่งบทสองอะไรก็ว่ากัไปท่านท่องได้หมดจาได้ถึงไม่ได้แต่จะเทคมาไปเปิดได้ทำมาโล ก, ก บ, บาลเนี่ยแล ะ, ะคุ้มครองโลกคืออะไระทำที่ทำให้งามคืออะไรมีบทเราจะหาที่ไหนพอข้อทามาท่านถามมาเสร็จแล้วไปอ่านคำอธิบายเขาเรียกข้อที่หนึ่งอัคคาตนิสัมพิทา แต่และเรื่องในท่านอา่านให้มันปลูกโลงอย่างที่บอกว่าเขาเขาเทพไว้กี่คนเขาเขียนไว้กี่คนในเรื่องรีโอสปะอา่านให้หมดแล้วท่านจะเกิดอัตถะปฏิสัมพิทาแตกขาในเนื้อหาอย่าไปจำแต่หัวข้ออย่างเดียวแล้วก็มาถึงนิรุตติปฏิสัมพิทานิรุตติเลือกภาษา คำว่าภาษาไม่ได้หมายแค่แปลอย่างเดียวนะครับเช่นคำว่าโยนิโสมณัสิกาเขาแปลว่าทำไว้ในใจโดยแยกคายก็อย่าฟังไม่รู้เรื่องแยกคายคืออะไรฉลาดมนัสสิกาคือคิดโยนิโสมณัสิกาคิดอย่างฉลาดเห็นไหยอย่างฉลาดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแตกฉานในภาษาก็หมายความว่าคำคำเดียวกันนี่มันพูดได้หลายอย่าง แล้วแล้วเราจะพูด้องในอ่านของพูอื่นสิครับฟังของคูอื่นว่าเรื่องนี้เขาใช้ภาษาว่าอย่างไร <c oughs> ท่านอย่าไปคิดเองอย่างเดียวไปดูว่าเรื่องนี้เขาเขียนว่าอย่างไรโยนิโสมานสิการท่านว่าไห้ผมแจกก่อบนี่ท่านก็ไปหามาันคือคิดคือคิดเป็นโยนิโสมนสการผมแปลว่าคิดเป็น โยนิโสมนสิการท่านว่าไว้คือคิดเป็นทำใจในวิถีแห่งความจริงความงามและความดีด้วยคิดสี่ประเด็นเป็นสำคัญโยนิโสมนสิการมีสอย่างหนึ่งคิดอะไรก็ให้มีวิธีคิดชื่อญาษาไทมณติการของแปลว่าวิธีคิดตั้งดวงจิตแน่วแน่ไม่แปรผันนี่คือประถมนัสติการของแปลว่า จิตแ น, น่วแน่ตรงทานใช้เหตุผลแก้ปัญหาสารพันนี่คือการณมรณศิกา ต, นนาต้องใจมั่นในคำต้องใจมั่นในคันลองของความดีนี่คือปาจกกะมรณศิกานการเรื่องที่มันยยกๆเอามาแต่งเปมาแปรยังไม่พอยังแต่งเป็กรรทีเอาให้สอนเด็กโยนิโสมนณศิกานท่านว่าไว้ คือคิดเป็นทำใจในวิถีแห่งความจริงความงามและความดีด้วยคิดสี่ประเด็นเป็นสำคัญคิดอะไรก็ให้มีวิธีคิดตั้งดวงจิตแน่วแน่ไม่แปรผันมีเหตุผลแก้ปัญหาสารพันต้องใจมั่นในคลองของความดีนี่คือแตกฉานในัตร์แต่งเป็นกรอนได้เลย ไม่ใช่แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทายอย่างเดียวนี่ตัวอย่างนะครับท่านก็จะต้องทีนี้ท่านท่านทำเองไม่ได้ใช่ไหมท่านก็ไปหาเขามาใครเขาว่าอย่างไงเรื่องนี้เขาบัญญัติว่าอย่างไงอย่างเช่นสมานะต่าเนี่ยท่านจะแปลว่าทานปิยาวาจาอัฏฐจริยาสมานะตา่าทานท่านแปลว่าการให้ปิยะวาจาพูดจาไพเราะอัฏฐจริยาประพฤตประโยชน์สมานะตา่าวางตน วางตนเสมอสม อ, อย่างมันเคืออะไรคนก็นามาบัญญิใหม่ยางท่านสมเด็จพุทธโกษ า, าจารย์ปอไปอยุตโตท่านแบบว่าทานแปลว่าอบอ้อมอะไรีปิยวาจาวัจจีไพเราะอัฏาจริยาสงเคราะห์ประชาชนสมานตาตาวางตนผลดตเลยพร้อมจะมาด้วย อบอภอิริวจีภัยรสมรระประชาชนวางตนพอดีนี่คือแตกฉันในภาษาแล้วเราเองไม่ได้เรียนมาสูงภาษาสมภาษาอะไรราไปหาคนอื่นที่จัด ก, การความรู้สิครับเอาความรู้คนอื่นมาใช้ที่ท่านพูดอย่างผมท่านนั้นท่านนี้ก็คือดูภาษาของเขาแล้วเอามาใช้ หล้มตาท่านใช้ภาษาไคลล์เช่นวิรยิยะความเพียรเนี่ยปารักรรมะปารักรมะท่าแปลว่าบาดบันเนีล้มตาพออูดง่ายๆบาดบาันคือไม่ยอดทอ้อล้มตาบอกว่าล้มเพราะก้าวไปทางหน้าดีกว่ายืนเตกท่าอยู่กับที่เอ๊ะมันจำง่ายเลยนะปารักรมะแปลว่าบาดบาันเนี่ยท่านเป็นข้องนี้อย่าเป็นทิ้งก่าวิ่งวิ่งหยุดหยุดแต่ล้มตาบอก ท่านคิดคำว่าท่านล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่เออพะัะอื่นอ่ะท่านพูดไว้ยังไงท่านอาจารย์พยองโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธ ด, ดีกว่าไม่บ้าไม่โ ง, โง่มีหลวงพ่อองคหนึน่งตอบนิมิตเห็นหน้ากับปัญหาเห็นนิมิตเห็นเทวดา หลวงพ่อนิมิต ท, ที่ผมเห็นเทวดานี่มันจริงไหมท่านตอบว่าไหยเราก็ไปศึกษาไอ้ที่เห็นน่ะจริงคือเห็นจริงจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จิตไม่จริ ง, รงเทวดาไม่จริงแต่คุณเห็นจริงโอ้ อ, อจับไว้ข้างหลังเราไปพูดนี่โอ้ไม่ธรรมดานะตั้งไปเ ตั้งแต่ไปเรียนรถไปดูปมาเนี่ยพูดฝักแปลกๆอออออเพราะพระพุทธเจ้าเรียนใช้่เลยนะโองคามาลไล่ฟันเอาวิไล่ฟันวิดๆดๆิวาัยุดง ก, อกอ่ อ, กอนอยุ่ก่อนพระเจ้าตอบว่าไงเราไม่หยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดเลยเนี่ยภาษาอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาใช้เยอะกว่าเราอีกฟินๆอะไรมันก็ไม่รู้ เอแล้วก็ศึกษาันว่าเวลาไปเทศและมันจะได้โดนใจนะนะอย่างเขาพูดออเจ้าแล้วก็อ๋อเจ้าเขาอย่างเนี้ยท่านมันเป็นนิรุติปฏิสัมพิธารส่วนปฏิภาณปฏิสัมพิธารปฏิภาณแล้วเป็นสัมพิาร์แตกแานในปฏิภาณอันนี้ก็เรียกว่ากรรศทันเวลาเทศเนี่ยเทศตามต้นฉบับว่าไปโดยดุลได้หรือ เอาเอาเดี๋ยวนั้นเอาเหตุการณ์ตอนนั้นเอามาเกี่ยวข้องเขาเรียกปฏิหารอย่างเช่นหลงตาเอ่อหลวงตาแพลเยื่ยไม้นะผมพูดถึงหลงตาเพราะเราอยู่ในสมนนกดียเราซึมซับจากท่านท่านไปเทศในคุกพวกผู้หญิงสาวสามเนี่ย ้ายาเนี่ยติดอค้ายาติดคุกเยอะท่านไปเห็นแล้วหมหน้าตา ก, ก็าดีไม่อยู่ในคุกเราจะไปเทศว่าเอออยู่ในคุกมันรับปากพระบนเราไหยตั้งหัวข้อเลยครับปฏิหารเขาท่านเห็นแล้ววันนี้จะมาเทศเรื่องติดคุกเป็นมงคลเอออติดคุกเป็นมงคลมันดียังไงเออท่านก็ท่านก็บอกว่า ถ้าในสมัยนี้เ็าเรีย ก, ยกอะไรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส <c oughs> เปลี่ยนพินาให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนนี่ของคิดขึ้นเองผมจะบอกติดคุ้มเป็นมงคลยังไงก็อยู่ในคุ้ ม, มเป็นวิกฤตทำให้เป็นโอกาสสิแล้วเรื่องที่พินาศกลับมาพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนก็ขยายความ ฉะนั้นเราก็มาคิดขึ้นให้มันสอดพร้อมกับตรงนั้นตรงนี้สรุปแล้วท่านจะต้องเตรียมใน4เรื่องนะตอนนี้ที่านเรียมได้ก็คือศึกษาธรรมะเพิ่มเติมศึกษาความหมายอธิบายและก็อ่านฟังให้มากเพื่อให้แตกฉานในภาษาเรื่องเดียวกันนี่มนุษย์จะอธิบายยังไงเราลองไปดูเรื่องลึกซึ้งที่ท่านผู้อื่นเขาอธิบายไว้ให้เ้าใจง่ายและท่านจะได้แนว เออเรื่องนี้หลวงพ่อเพื่อนข้าท่านพูดไว้อย่างไรเรื่องนี้มันยากนะแต่ท่านพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องนี้ท่านจะบุนสําเด็จปอปอไปยุตโตท่านพูดไว้เข้าใจง่ายหรือแต่เออแล้วก็ไปเอาตัวแบกมาตัวแบกที่ถูกต้องนะครับอย่าเอาที่ไม่ถูกต้องเช่นไปเล่นคำอย่างนี้เช่นตันหาก็คือตาหังอย่างเงี้ยจะไปจับ มันผิดตันเพราะมันตันแล้วหาออกไม่เจอมันไม่หารากสับาะรีไม่ได้เดี๋ยวมันจะยุ่งสํานักวัตถุยูท์ต้องให้ท่านไปหาบารีมาเดี๋ยวเวลาผมสอนผมเทศผมจะอ่านบะรีย์เสมอได้ไหมเนี่ยไอที่ผมพูดเลยนะเขาจะมีที่อ้านอินปฏิสามิทากีแล้วผมก็อธิบายง่ายๆการที่ท่านจะอธิบายง่ายๆอย่างผมเนี่ยท่านจะต้องแตกแขนาสสารท่านก็ท่องไดนั้นแหละ แต่พูดให้เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีพระเห็นเอีฟังแล้วชอบใจอ่ะท่านจะต้องแตกงานในภาษานี่แหละทําไมจะต้องฟังคนอื่นต่อให้เรารู้ธรรมะเราก็พูดให้มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่แตกงานในภาษาทีนี้มาเรื่องกระบวนการาพอท่านเตรียมการมีปฏิสัมพัทานสี่ท่านจะปรุงขึ้นมาเนี่ยให้คนเขาอยากรับประทาน คำมัของท่านอยากดื่มดื่มรสแห่งพระธรรมเนี่ยท่านจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งการอุเทศต้องมีต่อต่อต่อตอเทศคืออะไรผมไม่สอนแล้วนะเขาเอามาเรียนขนาดนี้รู้แล้วนิเทศต้องมีกอกอกอ่นี่ภาษาเลยแหละแล้วก็ปฏิอุเทศต้องจอจอจอท่านจะแปลว่าไงก็เรื่ท่านนาะแต่ผมก็แปลของผมเนี่ย เทศคือเริ่มต้นอารามขบทต้นตึงเต้งต้นตึงเต็งเริ่มต้นอย่าให้มันคนหายว่วงเลยวันนี้จะเทศเรื่องติดคุกเป็นมงคนอย่างเงี้ยเออน้าฟังเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งลงต า, าพูดสอนนักเทศบอกว่า ท่านเล่าท่านเพื่อจะพูดถึงจัญญายเทศท่านเริ่มต้นแบบว่าครั้งหนึ่งท่านไปเพศเนี่ยสอนไอ้พวกขี้เล่าขี้เมานอะเทพมหากาชาติแล้วก็แลดามันพระเทศเสร็จมันเอาขวานมาถวายพอเล่าอย่างนี้คนรู้ว่าเอาขวานจะมาฝันอะนักเทศเอาขวานมาประครีติกรเทศคนฟังก็สนใจ ถามว่าโยมเอาขวานมาถวายทําไมตีกษัตริย์ทำไมแม่ไปใช้ทําไรทํานามันเหมาะต่อพระคุณท่านเฮ้จะประเคียงขวานใส่หัวเราได้ไหมทาไมบอกลนะ่ะท่านเทพสอนคนอื่นดี ด, ดีเหมือนขวานนี่แหละถาดมีจังเลยถาดถามและทาไมเหมือนขวานคือสังเกตไหมท่านพระคุณท่านขวานนี่มันถามได้แต่ตัวอื่นต้นไม้ก็ไร แต่มันไม่เคยถามน้างตัวคนเองดีจะสอนคนอื่นแต่ไม่สอนตัวเองมาด่าลเลยขวาญโอ้เพราะฉะนั้นเป็นครั้งเนี่ยท่านจะต้องมีจัญญานักเทศมันเป็นการนําเข้าสู่เรื่องจัญญาณ น, นักเทศสอนให้รู้ทําให้รู้อยู่ให้เห็นไม่ใช่ดีจะสอนต้องทําให้ดูด้วยอยู่ให้เห็นด้วยไม่งั้นมันก็จะนนโดน มันเคด้วยขวานดิมันเข้าเรื่องเลยนะตื่นเต้นตอนแรกนึนกว่าจะเอาขวานจามหูวต้นตื่นเต้นกลางกลงกลืนก็ ก, กอเนี่ยนะคือเอาทุกเรื่องมาผสมกันเหมือนกับแกงโพบล้๊นะู้แกงสรมรูปเหมือนกันเอา น, นี้ใส่น้อยก็รู้ใส่น้อยนะเวลาวันรรักกับข้าวเหนียวใช่ไหม เอามารวมกันเปนแกงอะไระแกงส้มแกงโหกเลยนะโอ้ยฉันได้อีกสายมือเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรสายหมดนิทานก็อยู่ในนั้นแหละแกงโหกผาสิทธ์ก็อยู่ในนั้นคุณสัมผัสเสรนิท า, ทานทำกรรเรื่องเล่านิสาทก ข, ข่าวเอามารวมอย้ำใหญ่เรียกว่านิเทศ อย่าไปเอาแต่เรื่องอย่างเดียวบางคนเนี่นะนิเทศนิสิิเทศ น, น, น, นิทานอย่างเดียวเล่านิทานคานบกันจบมันไม่ใช่กลมกลื่อ น, นในนั้นมันจะต้องกลมกลื่อนยังไงต้องมีภา ษ, ษภาศิษย์มีบาลีมีถ้ารู้ภาษาอังกฤษภาอังกฤษใส่ด้วยผมเคยเทศน้าคนที่นั่นนะเข <c oughs> ายังใส่ภาษาอังกฤษสวยในหลวยเป็นการุณาเขาในหลวงท่านได้รับวัลที่ต่างประเทศเขาให้เราต้องชุ่ชื่อ พูดชื่อราวัลยังสารจริงเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้โอ้รู้จริงรู้หลายเรื่องปฏิทิเทศจ่อจอจอจบจับใจให้จดจำไม่ใช่จบแล้วแจวเนาะแล้วแต่เนาะเทพดีก็คนก็จะจดจำจับใจไม่ได้เรื่องแจวแล้วเพลินแล้ได้กับเทพไปนะโยบเป็นพระนักเทศผู้ไม่ประสงค์จะออกนา อยู่ว่าไหนก็ไม่รู้เขาหลังก็ต้องทิ้งหมดหรอกคือเบอร์โทรศัพท์ก็มีที่แค่ขอเงี้ยโอ้ยจอจอจอจบแล้วแกวเอทีนี้แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเรียนจบวัดไปอยู่อีกนะสรุปเราประเมินคุณภาพเมื่อกี้ที่พูดถึงประกันว่าท่านจะต้องทำอย่าง น, นั้นอย่างนี้แต่เวลาท่านเทศท่านต้องประเมินตัวเองเสมอซึ่งวัดไปยูนำมาใช้ หนึ่งแจ่มแจ้งไหมท่านเทศได้แจ่มแจ้งไหมแต่ละครั้งเนี่ยเวลาสอบคํา่าแจ่มแจ้งคือพูดให้ง่ายใช้ภาษาอย่างที่ผมว่าบรงทีโยนิสมนราชการคืออะไรสันทัศนาแจ่มแจ้งมีตัวอย่างมีนิทานกลมกลืนกรกกเนี่ยมันจะต้องแจ่มแจ้งสมาธิปนาจุงใจสมุตเตชนาแก้วกล้า สัมปันนาร่าเลยแจ็บแ้งจุงใจแก้วกล้ า, ล, าล่าเลยท่าจําได้ท่านมาเรียนวาตถุยุถ้าผมสอนหลักสูตรบรรยายในภาษาสามเดือนเนี่ยผมจะเอาแค่หัวข้อเนี่ยแต่พอผมมาสอนพวกท่านเนี่ยผมจะเพิ่มอย่นไลึกขึ้นไปีนี่คือตัวอย่างว่าเวลาท่านพูดท่านสอนเนี่ย บางทีพวกท่านรู้แล้ววสี่ข้อเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าความหมายจริงๆเปนคืออะไรอ่ะผมแจ้งห้ท่านดูความหมายของว่าศาศนาแจมแจ้งเนี่ยคืออะไรเีนี้เวลาจะเวลาจะอธิบายเราผมไม่ได้พูดเองผมเอาหลักเอาคณิตมาะรียงมาเห็นไหมผมเอามาจากอักขระฐานคาอธิบายท่า่อไตรปิฎกอีกทีนึง่งคำว่าแจมแจ้งเนี่ยท่านหมายถึง แสดงโดยชอบเตะค ำ, ำว่าแสดงโดยชอบเขาทกลตกตะไปเตนกอะไรกันนะเตนักเตนันะเตนักเตนะปริยาเยนะ เตนะเตนะปริยาเ ย, ยนะเตสันเตสันอัจฉศิยานุรูปังสัมมาทัสเสติสแสดงโดยชอบอันเหมาะสมแกอัจฉริยยของผู้ฟังโดยปริยายนั้นน น, นี่คือจัดแจ้งไนะเห็นไหมครับพอสอนหลักสูตรธรรมดาเขาเรียกเบืิองต้นผู้เริ่มต้นของเมไม่ต้องอ้างที่มาแต่พอสอนท่านเนี่ยหลักสูตรหนึ่งปี ผมเพิ <ersch> <S <S <S ่มบาลีใ <ć> ห้อีกเพราะผมไม่ได้พูดเองนี่ถ้าท่านจะเรียนปริญญาตรีผมจะแถมให้อีกนะรครับปริญญาโทมันจะลึกไปกว่านี้เอาไหมล่ะต่อไปจะเป็นภาษาตรีนะมาเรียนกันลวกันหน้าบีเนี่ยมันลึกไปเรื่อยๆคำว่าแจ่มแจ้งเนี่ยท่านดูนะท่านท่านอ่านทีนี้ท่านยังไม่เข้าใจเลยผมจะอธิบายด้วยภาษา คาว่าแสดงทำโดยชอบเนี่ก็คือถูกต้องตา ม, มาหลัหกธรรมะใจแห่งอัละธรรมประเด็นที่ผมคิดเส้นใต้เลยครับเหมาะสมแก่อัตยาสัยของผู้ฟังโดยปริยายนั้นนั้นก็หมายความว่าแสดงให้เด็กฟังเนี่ยเด็กประถมเนี่ยแสดงเรื่องนี้ใช้ภาษาอย่างนี้ตัวอย่างอย่างนี้แสดงให้เด็กมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทอย่างนี้ แสดงให้พวกด็อกเตอร์อย่างนี้คนแก่อย่างนี้สอนผู้เริ่มต้นในการเทศสอนแค่นี้ในภาษาสามเดือนสอนพวกท่านระดูถึงปีผมสอนอย่างนี้เห็นหนี่นี่คือสอนตามกัทยาสายของท่านเพราะท่านมีพื้นมาแล้วไอส้สสอนเนี่ยท่านเรียนมาแล้วแต่คำว่าสรรทศนาหมายถึงอะไรเนี่ย หมายถึงสอนให้เหมาะกับผู้ฟังอัธยาศัยผู้ฟังเนี่ยสอนเด็กสอนอย่างหนึ่งสอนผู้ใหญ่สอนอย่างหนึ่งสอนคนแก่สอนอย่างหนึ่งสอนคนมีความรู้สอนอย่างหนึ่งและวิธีสอนก็ต่างกันอ่ะแค่นี้เป็นคําอธิบายความหมายยกตัวอย่างมากกว่านี้ตัวอย่างว่าผมสามารถพูดให้รู้ซึ้งได้เช่น ไม่ใช่เช่นกันเตควางก่อนนี่คือลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อวัตถุยูเน้นสัญชาตินดูปากของลูกนกเป็นเกณฑ์ลูกนกตัวเล็กเราก็สอนคาป้อนเหยื่อคาเล็กลูกลูกนกโตเราก็สอนคําโตเหมือนเราป้อนผมเคยพูดแล้วนะครับเลยเราป้อนอาหารใส่ปากเด็กปากเล็กเราก็ให้น้อยให้ปากใหญ่ล้วก็ โตเลยแล้วก็ให้ตักเป็นคําๆสาริกาป้อนเหยื่ก็ต้องดูปากของผู้ฟังคือความพร้องเช่นพื้นความรู้เขาจบระดับไหนถ้าเขาเป็นคนโตจบป .4 ม .6 หรือรู้ภาษาอังกฤษเราก็แสบภาษาอังกฤษไปเลยนี่ถ้าท่านเป็นมหาปริญญาผมเพิ่มบาลีให้เยอะกว่านี้อเอาแค่นี้ก่อนวันนี้เพราอัธยาศัยได้แก่นี้อเอเพียงแต่ให้รู้ว่านี่เป็นวิธีแสดงท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนนะครับบาลียเยอะแยะ เพียงแต่ให้เห็นว่ามันสอนได้ย้ายย้ายถ่ายเทยังไงแล้วปวดจะเรียนบะลียังไงสาริกาป้อนเยือก็คือสอนให้เหมาะกับผู้ฝักแต่และภูมิความรู้อ้าวถามว่าพระพุทธเจ้าสอนไหนอย่างเงี้ยสอนนี่ท่าอรัสูตรนี่นะครับในพระไตรปิฎกพระสูตรถ้าอรสูตรเป็นอย่างนี้ครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง พระผู้สเสด็จเจ้าตัดสรุปใหม่ๆก็สเสด็จไปที่แฟงโผลสดแฟงโผลสดเป็นแฟนลูกพี่ของก บ, บีลพัทครับก บ, บีลพัทเป็นลูกน้องเป็นแฟนเล็กตกอยู่ภายต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้แฟงโผลสดนึกออกนะครับเหมือนกับจีนอย่างเนี้ยเป็นลูกพี่ของลาวพมดนะคอมมิวนิสต์เดียกันเนี่ย เป็นพที่ของเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามลาวกัมพูชาเนี่ยเล็กกว่าจินกับพีลพัทเทวทหะเล็กกว่าแคนโตสเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าเสด็จออกบวชจ <c oughs> ึงไม่บวชที่แคนกัมพีลพัทหรือโกศอ ถ้ามาที่แคว้นผู้แข่งใหญ่พอๆกันถือแคว้นมคตมคตของพะเย้ดยิบิสันเพราะว่าถ้ายังอยู่ในแคว้นโกศเนี่ยอาจจะหนาวว่าส่องสงผู้คนเพื่อกระบทนี่คือตีความนะนี่คือปฏิาปฏากมีคนตีความ่างนั้นด้วย คนที่เขียนแนวนี้คือท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเอ่อหนังสือชื่อผมจำไม่ได้ๆเ่เกี่ยวกับแผงการผู้ชาติของศิลปะหรืออะไรตอรนี่ถ้าไอ่านหนังสือกกับผมเคยอ่านพอมาอยู่ที่แขวนเอ่อแขว้นมคตออกบทเป็นเจ้าชาย พระเจ้าพิมพิสารได้ไว้วางพระทยเพราะอาจจะเป็นสปายสายสื่อของแงผนกูุ้่แข่งโคลสนมาอยูย่คือไม่เชื่อว่าบวชจริงพระเจ้าพิมพิสารจึงไปเข้าพบเนี่ยที่สนทนาว่าทํำไมจึงบวชคือมาสัมภาษณ์กันเลยบวชจริงหรือว่าเป็นสายลายับพอเห็นว่าบวชจริงจึงทำไงด้วย เจงขอพรน่ถ้าตัดสรุแล้วให้มาสอนเน่ยแต่ทดลองใจก่อนอย่าบวนเลยท่านเป็นกษัตริย์ ท, ทองแข็งมาพ้นในการจะแบ่งดีแดงให้ขึ้นหนึ่งเป็นหลุมพรางถ้ารับแสดงว่าไม่จริงเห็นไหนี่คือการตีความแต่พอบอกก็บวนจริงศรัทธา บรรุเมออไรให้มาโปรดก็จะเกิดการเทิดที่ลัทธิวันตรงตา่างบรรุทำกันเป็นนดนูนพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้มาหาอำนาจสมมตว่าเราเป็นลูกพี่จีนจีนเป็นลูกพี่เปาโกสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับเราไปอยู่อเมริกาเขายอมรับทีนี้ค่อยไปจีนเหมือนราการที่หา้า และจุฬาจัก้าวจ้อยู่หัวเสด็จประาพาสยุโรปตอนที่สเสด็จประทาสยุโรปเนี่ยไปประเทศไหนก่อนท่านลองดูประวัติไปฝรั่งเศสก่อนไหมไปอังกฤษก่อนไหมไม่สวอตสวิตเหรอไปไหนก่อนรัสเซีย รัเสเซียครับทำไมจึงไม่ไปอังกฤษฝรัร่งเศสเพราะอังกฤษ ย, ยึดขมา่าจะยึดไทยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฝรั่งเศส ย, ยึดเวียดนามแถมไปยึดลาวกัมพูชาไปจากเรามันไม่คอรัเราคืนไปเราก็ต้องไปห น, น้าน้อยตาน้ย ไปที่นอกพี่เขาอังกฤษฝรัร่งเศสรัฐการที่เข้าไม่ไปไปรัสเซียปอกรัสเซียนี่เป็นมหาอำนาจที่เบิ้มพอๆกับอังกฤษฝรัร่งเศสแต่ทําไมจึงไปรัสเซียเพราะว่าพระเจ้าซาอีนิโคลัสของรัสเซียเนี่ยก่อนขึ้นครองราชได้เสด็จมาเยือนต่อเป็นมนกุฎราชกุมารเสด็จมาเยือนประเทศไทยที่ถ่ายโลกกันเป็นเพื่อนกัน กลับไปได้เป็นจกกักรพรรดิพระเจ้าซาเิโครัสเพื่อนกันเน่เขาราชการที่ห้าไปก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อนก็โอ้โหท่านเอ้ยสมัยก่อนมันไม่ใช่ครืบินมันเป็นสนามเป็นรถไฟอพอรถไฟไ้วยการห้าเชี่ยหสถานีู้พรงแดงเลยตอนรับสมเกียรติยศของกษัตริย์อือมมฝรั่งเศสมอง โเป็นพระสหฆ์เนี่ยมหาอำนาจเลยนะใหญ่นี่เสร็จแล้วไปไหนต่อไปเยอรมันพระเจ้าไกเซอร์ไกเซอร์เอ้ตอนรับแบบเดียวกับรัสเซียนะพอถึงอังกฤษกรั่เขตเมื่อเยอรมันมหาอำนาจตอนรับดิปูโผล่แดงก็เลยเธอเห้ยเห็นไหมสิลปะก็เหมือนกัน พอมาได้พระเจ้าพิพิษารมหาอำนาจเป็นลูกศิษย์เท่านั้นเลยครับพระเจ้าโกศนประเสริฐที่โกศนโหอไม่ธรรมดาดิเออแต่ก่อนเป็นลูกน้องเราอ่ะเดี๋ยวนี้ขนาดคู่แข่งเรายังเป็นลูกศิษย์เลยไม่ธรรมดาชักสนพรททายนิมนต์มาเลยไปที่แฝงโกศ พอไปเจอกันแล้วแทนที่จะศรัทธาไม่ศรัทธาอีกนะพระเจ้าปเสนีโกศลเน่ยมองเลยอีเลยยังหนุ่มเนอะยังไม่ถึงสิ่สิบเลยรุ่นราภเดียวกันเนี่ยสมงพรเนี่ยระหว่างปเสนีโกศลกับพุทธเจ้าเนี่ยยังหนุ่มน่ะแล้วทำไมคุยว่าเป็นพระอรหันต์ตัดสรุ้โดยชอบด้วยพระองค์เอง คนแกกว่า น, นี้เขายังไม่คุยมัคคิริโคสาระอะไรนะไปครูทั้ง6กอะแกกว่ทักนอะีกะยังไม่คุยว่าเป็นพระหนักนี่ยังหนุ่มอยู่เลยแล้วยังจะมาเทขึ้นธรรมะได้ยังไงโอเดี๋ยวมันจะดูโทรกลับอีกแค่นี้ยังหนุ่มย่างนั้นสมนรรถศักดิ์ก็แค่นี้ เกิดความรู้สึกไม่ยอมรับพอพูดว่ายังหนุ่มเท่านั้นแหละแล้วทําไมว่าเป็นพระรหัลทําไมครูทั้งหกไม่ไม่คุยตรงนี้พระเจ้าต้องมีปฏิภาณตอบทันทีเลยปฏิภาณและปฏิสัมพิทาแล้วก็ยังต้องมีนิรุตติเลือกภาษาเลยคําว่าหนุ่มเด็กคําว่าหนุ่มเด็กคือคําว่าพระนาระครัน เรียกว่ทาทานอรสูตรน่มาจากทระสูตรนี่ะที่ผมเล่าทนานอรสูตรพระพุทธเจ้าตอบทันทีเลยมหาหมพิษของสี่อย่างยาดูถูกว่ายังนุงยังเล็กนะหนึ่งงูพิษยาดูถียาดูถูกว่าตัวจิ๊บจอยกัดตายนะ กูเลยนะการเราถึงตายไฟเสศษไฟเนี่ยไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยอย่าไปดูถูกนะไม่บ้านไม่เมเืองนะกษัตริย์อย่าดูถูกว่ายังเด็กยังพระเยาว์แต่ถ้าขึ้นคลองลาบแล้ว เ, เด็กเจ็ขวงที่เป็นกษัตริย์สั่งตัดคอเราได้เนี่ยสมณะอย่าดูถูกว่ายังหนุ่มยังเด็กเป็นพระอรหังก็ได้ ยอมเลยทับพระเจ้าพระเษได้โกวสัญญองูมันก็เห็นชัดไฟก็เห็นชัดที่สำคัญแบบกษะตริยังเด็กผู้จริงเนี่ยเทียบเทียบกับพระเจ้าแผนดินตัวเองก็เป็นพระเจ้าแผนดินในเมื่อยังเด็กจะเป็นพระเจ้าแผนดินได้ตัดพอคนได้ทำไมหนุ่มๆอย่างนี้จะเป็นอาราหัรไม่ได้สูหกเลยเอ้ยนี่ฉะนั้นนี่ จัตตารโภเมมหาราชะทาราตินกุญยาตับพาทาราตินกปริโภตับพามหาภพิษของสี่อย่างเหล่านี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยหนึ่งกระย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าอย่างทรงขย้าวสองงูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กสามไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสี่พิกซูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายัางนุ่มเป็นทาราห์สระ เวลาตอบ ก, กษัตริย์พระุทธเจ้าตอบอย่างหนึง่งเขาเรียกอะไรครับสาริกาพอดเบี้ยปากใหญ่ยืนคําใหญ่ตอบแบบนี้พุทธเจ้าสอนกษัตริย์สอนอย่างนีง้ถ้าสอนชาวนาอะไม่จบภาษีพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่เก็ตไม่เก็ตชาวนาไม่เก็ตอูพูดอะไรรู้เรื่อง ต้องสอนภาษาชาวนาเออเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าไปเทศให้ชาวนาฟังเป็นชาวนาในทุนหน่อยนะคือเป็นพรามแต่ไม่ได้ทำนาเองจ้างใช้คนใช้พวกสู่พวกแพทไปในาทำนาเขาชื่อพาราาัตวชั แล้วตัวเองเป็นชาวนานก็เลยเรียกว่ากสิภ า, ารัตถวชชะแปลว่าทวารภารัถวาชะผู้เป็นชาวนานในกสิภารัตถวชชะสุเห็นไหมผมอ้างในพระสุพระพุทธเจ้าอยากจะโกรธชาวน า, นานคนนี้ก็เดินมีถ่ายผ่านเขาทุกวันเวลาที่เขาทํานานพระไม่พอใจเลย พระพระบิธฑบาตฐ่านนาเราอยู่เรื่อยจะงมากินข้าวเราไม่รู้จักทำนาทำไรพระเจ้าพวกนี้กิเกียร์งานการไม่ทำแต่ถึงเวลาจะมาเรียกอะไรจะมาขอข้าวไม่สนไม่หงอจนกระทั่งข้าวออกรวมสุกเกี่ยวข้าวนวดข้าวพระเจ้าไม่มาบิบาตพระก็เรื่องในใจสงสัยเอาแน่ตอนที่ข้าว เตาโลมีสุรทรเรียกยากก็เลยตอบว่าพระจ้าพวกเราเนี่ยนะท่านก็เห็นอยู่บ่าจะได้กินข้าวเนี่ยเราทำนาทำไร่ถ้าท่านอยากจะกินเนี่ยทำไมคนจะถือบานไปขอเขาไม่ทำนาในวัดตัวเองเล่ะพูดในภาษ า, ศาแบบให้มันถึ้นๆอย่างนี้เลย เอาเวลาท่านเทศก็ดูบ้า ง, งนจะเป็นพูดอันนี้นพูดกับพระเดี๋ยวพี่เจ้า จ, จะเสียฟ้องหมดเลยพี่เน้าตอบว่าไงดูมัมพระอาตมาก็เป็นชาวนาทำนาด้วยเออทำอยังไงอ่ะไม่เห็นมีอุปกรณ์การไถนาเลย เวลาพระเจ้าเทพกับชาวนาบอกว่าตัวพระองค์ก็เป็นชาวนาลดระดบับเทศกับพระเจ้าปเป็นชนิดของสัตว์ที่ใหญ่เป็นชาวนาก็เลยเทศแต่แค่ชาวนาเราก็เป็นชาวนาแล้วไหนอุปกรณ์การไถน่ะพระเจ้ า, า, ากบลังนี่ไงศรัทธาพีชังตโปวุติปัญญาเมยุขันธ์ขลงัง ฮิริเอซามโนโยตสติเมพาละปาเจนะศรัทธาของเราเป็นมเมล็ดพืชก็คือข้าวพันข้าวความเพียรของเราเป็นฝนที่ตกลงมาปัญญาของเราเป็นแอกรักไทยฮิริของเราเป็นงอนไทยใจของเราเป็นเชือกสติของเราเป็นผานเล็ะตัด รายละเอียก็คงจะอธิบายเทียบกับอุปกรณ์ทํานาว่าทําไมสัตวาจึงเป็นมเมล็ดพืชทําไมความเพียรจะเป็นฝนคงจย่างทีบายพลามฟังแล้วนะทราบซึ้งนะเห็นหมดเลยเนี่ยทำมาที่วิท ย, ยาศาสนี่เอามาเทียบ ก, กับอุปกรณ์ไถนาเนี่ยง่ายไปหมดเลยนี่ทําไมที่ผมบอกว่าเวลาเทศท่านจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบ ไม่ใช่เราเอาไปตั้งนะแต่หมายความว่าเวลาเข้าไปในห้องเนี่ยอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอามาเทียบมาเทียรให้โยงเขาเห็นอย่างผมพูดวันนี้ผมพูดเปรียบเียบกับคอมพิวเตอร์เพราะผมใช้คอมพิวเตอร์ใช้กันดูว่าเก็บไว้ในไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ถ้าแล้วผมก็บอกว่าถ้าเทศมาเทศแล้วมันคนไม่ได้ยิน ล็อกไมโครโฟนไม่ได้เตรียมม น, นี่ปจัจจัยนำเข้าท่านไม่รู้หรอกว่าผมกาลังพูดกับไอ้เรื่องที่ท่านเห็นนี่แหละออนี่คือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เอาเปไปใช้ตลอดถ้าท่านไปเที่ยงงานสบเทียจนจิดส่องทำมันก็มีโยมชีวิตค น, คนเราดับไปนั้นต้องไม่เหมือนเทียนคืออย่าดับไปอย่างไรถ้าดับแล้ว ในพระในเทศเหมือนเทียนของเทียนสองคำถมนี้ถ้าไม่ได้จุดเทียนสำคัญก็ไม่ได้ฟังเทศเพราะฉะนั้นเทียนนี้จึงมีคุณค่าอยู่ไปอยู่มาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ดับไปอย่างไรค่าเทียนก็เหมือนกันถ้าจุดทิ้งไว้ที่อื่นมันก็ไม่มีคุณค่ามันเป็นสูความดับแต่มันจุดได้าธรรมารทําให้พระได้ฟังเทศโยนในพระในเทศโยนในฟังเทศได้ฟังเทศนี่คือชีวิตมันมีคุณค่า เปลวเทียนละหลายแท้งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัชีวิตมัดลายไปเพื่ออะไรทิ้งไว้แทนจําแม่นเลยพวกนี้เพราะหเห็นเทียนอยู่นะเห็นไหมอุปกรณ์เพระพาปประมึงเรีานจากอะไนกันที่รีเอซ่ออาความละอายบากคือมรรไหเห็นเลยชี้เลย ใจก็คือเชือกสติเป็นผานและประตันก็เห็นเห็นอยู่นะง่ายมากๆเลยแต่มวนแต่แปลอยู่เก็บสัสมอยู่เ่ยเลยยากแต่เหนเน้วหาใจพ <c oughs> ระเจ้า่าประเทศเห็นจริงหมดถามพอฟังเทศแล้วว่าไงรู้ <c oughs> อู้สเล็ว่าท้าเป็นชาวนานี่แต่เป็นชาวนานในจิตใจ ท่านก็มีสิทธิ์ได้กินได้รับประทานเลยถวายทานเลยเห็นไหกระสีภารตะวัทัสูตรถ้ า, า, ถาท่านสนใจไปอ่านอย่างเข้าใจประโยคเห็นเพราะมันางเข้าใจประโยคก็ริมีหลักต่อไปครับสมาธบรรณาจูงใจแจ่มแจ้งแล้วนะครับจูงใจแก้วกล้าล่าเลยเขาว่าจูงใจคืออะไร ภาษาบาลีวะนะ่าอาชีคคำว่ปฏิปทายะสัติงอะไรเนี่ยผมปแปลเลยจะทำให้น้องไปโอนไปโน้มไปในธรรมะที่เราเทศพร้อมด้วยปฏิปทาเครื่องบรรลุชื่อวชักชวนคือให้ถือเอาโดยชอบก็คือให้ปฏิบัติโดยชอบใน คำในที่นี้เนี่ยนะครับท่านสังเกตํำให้ถือคือสมการให้รับเราจะทำให้เขาโน้มไปโน้มไปในธรรมเนี่ยท่านจะต้องอมีเสนอปฏิปทาท่านเวลาที่ท่านสอนเนี่ยนะครับอย่าขาดปฏิปทาเครื่องบรรลุ สับตรงนี้บางทีเราไม่ได้ใส่ใจปฏิบัติกาเครื่องบรรลุคืออะไรครับคือวิธีปฏิบัติสอนแทบเป็นแทบตายศีลห้านะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์อะไรเงี้ยแต่ท่านสอนวิธีรักษาศีลให้หน่อยสิแล้วเวลาคนมันมาเนี่ยไอเอลลึ้แมวมันมากัดเราเงี้ยเราจะไม่ตีมันไม่ฆ่ามาันเนี่ยเราจะทํำยังไง ส่วนมากปัญหาว่าทำอย่างไรเนี่ยเราไม่ค่ได้สอนไม่ลงรายละเอียดแต่บอกไปว่ารักษาทิ้หน้านั่งกรรมฐานแต่นั่งอย่างไรนบนั่งอย่างไรในชีวิตปรจวันเนี่ยสติเนี่ยบอกให้มีสติแล้วสติมันคืออะไรเรามักจะพูดไม่ชัดแล้วไม่จเจริญสติทำยังไงท่านไม่เคยพูด เพราะฉะนั้นมันก็เลยยากคำว่าสตินะอธาาิบายก่อนคือระลึกรู้ทันปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินนี่คือสตินั่งฟังอยู่นี่แนละ้วถ้าท่านใจลอยนะตกปัจจุบันมองก็ไม่เห็นอยู่บนจอเนี่ยจบอีกฟังก็ไม่ได้ยินเราห่วงแต่ว่าบ่ายนี้จะไปมาติดตามมาสือคุ้น เมื่อตกปัจจุบันท่านไม่มีสติพราะไม่มีสติมองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินท่านก็ไม่ได้ข้อมูลที่ผมพูดแต่ละประโยคประโยคฟังก็เลยไม่ได้ฟังท่านก็เลยไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้เพราะฉะนั้นคนจึงกลัวสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติเจริญมกเกิดปัญหา ถ้าท่านฟังผมอย่างมีสติท่านจะเกิดปัญญาและเข้าใจที่ผมสอนมาทั้งต่ต้นเลยแต่ถ้าท่านใจลอยโมติบวกั่านห่วง น, งวงนี่ไม่มีสติและไม่เกิดปัญญาเห็นไหมครับผมเสนอปฏิปทาวิธีปฏิบัติในการเรียนอย่างมีสติให้ท่านเลยนี่ก็คือสมารบนะจูงใจให้อยากทำกบอกขั้นตอนเลยทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง ว่าแต่ละข้อวีธีทาอย่างนี้นั่นคือจูงใจบอกอออย่างนี้เอาไปปฏิบัติเลยคําว่าสมาทานเนี่ยคือรับเอาไปปฏิบัติทําอย่างไรโยมเย็นยิ้มใครด่าก็เย็นไว้แล้วก็ยิ้มจานแตกก็เย็นยิ้จะว่าด่าก็เย็นยิ้มโยมด่าก็เย็นยิ้โอ้แผ่เมตตานะโยม เนี่ยแค่เย็นยิ้มทำเดียวก็คือปฏิปทานะแต่พอเราไม่สอนเนี่ยวิธีทำเนี่ยนะคว่าวิธีทาอะ่ะมันมีแต่ตัวเลขมีโจทย์ให้เอเ อ, เอยี่ส บ, บวกแปดสบคูณด้วยห้าสิบเอ่อเท่ากับเท่าไหร่แต่เวลาเราไปทำเราจะต้องตั้งก่อนตัวนี้ตั้ตัวนี้บวกตัวนี้คูณแต่ผลตัว น, น, วนี้นี่คือวิธีทำเลข ถ้าสอนเด็กโดยไม่บอกวิธีทำถ้าเด็กตกทั้งชนะั้นน่ะครักมักจะสอนทำมากว่านั่งกรรมาฐานจเจริญสติแผ่เมตตาแต่ทำอย่างไรโยมแผ่เมตตาเนี่ยนะนึกนะนั่งหลับตานะให้ใจเราเป็นแสงสว่างแห่งชุ่มเย็นนะไม่ใช่บาร้อนแล้วก็แผ่ความสุขความชุ่มเย็นปรารถนาดีไปให้เลิกจาก คนอันเป็นที่รักถามว่ารักใครมากที่สุดตัวเองตัวเองเราเองนี่นนึกภาพใบหน้าเรายิ้มแย้มีความสุขแล้วก็ให้คนนี้มันสุขถูกสวยในวันที่หนึ่ง เ, เห็นภาพแล้วต่อไปก็นึกถึงคนอันเป็นที่รักที่อยู่ที่บา้านอยที่ไหนเห็นหน้าเขาใเขาาขเเนเขามีความสุขในล้วก็เห็นเขากำลังสุขภาพดีแข็งแรงมีอายุวันน่สุขขับะแห่ไม่ตายเขาต่อไปเป็นคนกนลางๆอยู่เคื่อนโลกมา แล้วก็นึกถึงภาพแล้วก็แพ้รัศมีให้เขามีความสุขแล้วต่อไปก็ไปนึกถึงคนที่บันด่าเราที่ว่าเราทำการกระบาดติดปากมันแล้วให้มันยิ้มใส่เรามองกันแง่ดีมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทาดีมีคุณ ไม่ตายนี่คือปฏิปทาสองวิธีทาแต่พวกเราเนี่ยได้แต่เทศแล้วมันไม่มีเรื่องว่าจะทํอยังไงมันก็น่าเสียดายได้แต่ทฤษฎีจะไม่มีภาคปฏิบัติมันก็เลยขาดสมาธิปัญหาแจ่นแจ้งจูงใจเกล้วลกล้าเนี่ยเกล้ากล้าสมุตศชนะ อปนิสัยสัมปันธสักวีววริยะวโตวอะไรเนี่ยนักยี่ถังภู ก, กระลังคอบาลีจะรู้เลยว่านัดยี่ถังทุ ก, กระลังแปลว่านี่เล่นไม่ยากทําไม่ยากสมุเตชนาพีอยากให้มันยอดทขาให้นึกว่าทําได้ไม่ยากสมาธภาวนานี่บอกวิธีทำปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนอย่างผมมาสอนวิธีเทศให้ท่า น, นีอย ผมก็จะบอกเป็นขั้นเป็นตอนต้องต้องฝูนเทศนิเทศปฏินิเทศต่างละโมยอย่างนี้อธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยคือแจ่มแจ้งจูงใจว่าขั้นตอนเป็นอย่างงี้นนืแล้วก็สบุตเตชนะท่านบอกโอ้มันยากผมก็จะบอกว่าไม่ยากไม่ยากยังไงก็บอกกับท่านว่าให้อานขานในการบรรลุคือปฏิบัติทําจิตให้ผ่อมแผ่วในเรื่องนั้นว่าทําไม่ยากนักยึดทางทุกข์ร่างเรื่องนี้ทําไม่ยาก ถ้าขยันถ้าฝึกฝนฝันฝ่าเนี่ยตอนนี้เขาเรียกปลุกใจนะเออไอทีสั้งเทศมานห้นะผมรู้ทั้งหมดแต่มันผลไม่ได้เนี่ยยากยากมันไม่ยากโยมทำไมไม่ยากอ่ะเอาตัวอย่างมาสิเราตอนแรกเนี่ยนะ ลรวบอกเส้นทางใช่ไหมว่าเอินไงนี้คนบอกยากโอ้ยไม่ยากเลยโยมเรื่องที่จะทำเนี่ย <c oughs> เด็กตัวกระเปียดยังทำได้เลยแล้วยอมเป็นผู้ใหญ่ทำไมจะทำไม่ได้เนี่ตอนนี้แหละที่เอาเหตุการณ์นิทานตัวอย่างมาตัวอย่างมาไอเรื่อง ย, ยากๆกว่านี้เขายังทำได้ อ่ะทำไมว่าเทศมันยากอ่ะมันจะไปยากอะไรท่านักเทศมือใหม่ได้เลยลรู้จักคันเอกปิ่งมูทุกข์น่อเขียนหนังสือเยอะเลยเป็นนักเทศตั้งแต่สมัยเป็นเนนเป็นนักเทศตั้งแต่เป็นเนมแล้วคันเอกปิ่งเน่ยเป็นเนมปิ่งอยู่วัดเนี่ยอวัดสัมพันธุ์ธสาราวัดเกาะ ไปฟังเทศของพระอุบาลีกรู้ปร ะ, ประมาจานจานันดวัดบรมนิว่าสอู้เทศดีเทศเก่งเหลือเกินเนรอยากจะเทศเนรอยากจะเทศเลยทำยังไงก็ไม่วันหนึ่งไปได้ต้นฉบับของพระอุบาลีมาหนึ่งกันท่องเลยทนะ่านท่องทั้งกังนเลยแล้วพอไปอแล้วอยู่ที่วัดบรมนิวาสพักผู้ใหญ่ไม่มีไม่อไม่มีไงเทศ เน้นเอาเน้นเทศกันแล้วกันแปดั้เน้นปิ่งจะไปยากอะไรล่ะครับท่องเลยท่องตามนั้นเนออกคำเนือง ท, ท่วมท่วมท่าดีละเหมือนกับพระอุบาสิกาแข็งเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้ไม่ต่อย อ, อย่างเี้เลยเรียนแบบอดาราพอทําอย่างนั้นได้กาหนึ่งอุยโย่ชอบนักด้วยนี่ เห็นไหมลงทุนเนี่ยคืออะไรปัจจัยนำเข้าที่ชองปัจจัยนําเข้าแล้วเทศลีลาเหมือนอะไรเนี่ยี่กระบวนการแล้วคนชอบผลผลิตผลกระทบคือที่มนต่อเครียดสิท่านหมดภุงไปหาวัดอื่นสิครับใครแต่งไว้ที่ไหนหามามาต้องกันที่สองเทศอีก โอ้โหดีแลเกิดเทนี่มาตรฐานดีท่องทั้งนั้นแหละตาเลือเล น, นเลยครับทังตรายโยมชอบมีอะไรครับนิน ท, ทัทีสามยุ่งเลยทำไงท่องกันที่สามในภาษาสามเดือนเพศดีสามกันโยมชอบวัดอื่นได้ยิ ก, กินทีสาก็เนนเป็นเทศดีแล้วเกินมจะไปยากแแล้วรไปวัดอื่นคนความคนลกลุม ก็เอาการที่หนึ่งมาเทศไอ้ที่ท่องไปการที่หนึ่งเขานี่เขาชอบเอาท่องกันที่สองไปแล้วเลยเทศจริงกันที่สามอ้าววัดเดิมครับฟังมาสามกันแล้ววัดสมณวงศ์อยากจะฟังกันที่สี่จะไปยากอะไรนะครับเอากันหนึ่งสองสามผสมกันครับเทศเองเลยทีนี้ตั้งแต่นั้นเลยเป็นนักเทศ เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันทำให้ท่านเกิดแก้วกล้าเนนน้อยยางเทศได้และผมบอกวิธีด้วยคือไปท่องของเขาผมเจอไว้รับไอที่เอากันทั้งพรัมดินไปตัดหัวตัดท้าย61กันเลยนะครับนนแล้วมันไม่ใช่เจอเฉพาะว่าไปเทศเดียวนะครับโน้ตเอาไปลงเว็บขึ้นเว็บอีก ชื่อกันเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่ใส่ชื่อตัวเองครับทุกตัวเลยเป็นอืมอาทิตย์ก็เคยเห็นก็มาใส่เนี่ยจะพูดดีไม่ดีจะเล่าอะไรแบบนี ไม่พูดระดับผู้ใหญ่เลยนะเอาผมไปเลยนั่นไม่บอกว่ามของผมเลยไปขึ้นเว็บอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังขึ้นอยู่เอาไปของตัวเองมาหนึงผมไม่ว่าผมเป็นธรรมทานเป็นบุญ <c oughs> แต่ควรจะมีจดอยามบ่ะ <c oughs> ข้อสำคัญคือผมบอกวิธีนั่นแหละโยมที่อเมริกาโทรมาผมท่าน ทำไมพักไทยเรือไปอยู่อเมริกาเนี่ยบญญรรยายนทำมัชเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นิมนตทักไทยไปส่วนมนฉันเพลนได้แต่ยถ า, าสัพีถ้าเป็นคนไทยก็บญญรรยายนทำมัชเป็นภาษาไทยได้แต่พวกแต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศคนอเมริกาหรือคนอะไรต่างเขานิมนเนี่ยก่อนอยถ า, าสัพพีทำไมไม่เป็นยางเป็ภาษาอังกฤษสมมูชนิยการถาเป็นภาษาอังกฤษากกสักหน่อย พระลังกาเขายังทำเลยก่อ น, นยะถาสัปีนี่เขาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษห้าน า, าทีสิบนาทีเจ้าภาพชอบทำไมพระไทยไม่ทำงูมันยากลัวภาษาอังกฤษเรียนไปก็ลำบากออกเสียงลจากไปยากอะไรแนละ้วทา่านท่องไปสิเอเซ่เขาก็แต่งไปแล้วเนี่ยอ่นหันฟองเสียงนั่นก็ท่องไปจบแล้วนี่กลักจอจบแล้วแก้ว จะคุยคุยไปได้สีค่ค yes, ร no, okay. ั้งเยสโนโอเคฮือหือือฟังไม่รู้เรื่องแจวเลยย้อนคนนี้ผมมาอย่างนี้เลยเนี่ยเขาบอกวิธีด้วยแล้วพัฒนการก็ทำอยู่ทำไมจะทำได้ไหนนะักเทียนจะเห พอผมพูดอย่างนี้ท่านเกิดแก่กล้าไหมทำไมจะเทศเอาเทศมีเพียบทุกงา น, นท่องบังจำบัอะไรกนเมือยอย่าไปเอ่ยชื่อเจ้าภาพผิดกระไรเทศงานศพไปเอาคนตายมาเอาเอาคนเป็นเจ้าภาพเป็นคนตายคนตายเป็นคนเป็นเจ้าภาพแล้ก็หร็มลืมเปลี่ยนชื่ออันนี้คือแก่กล้าถูกไหมแก่กล้าคืออะไรครับ มีตัวอย่างบอกประกอบกว่าทาไม่ยาก ผ, ผมให้ตัวอย่างกรณีประเทศ ท, ท่านถ้าท่านบอกว่าสีหน้าคนรักษาที่นา้าจะทำไม่ยาที่บ้านรู้ก็ยังทำที่นี่ก็ยังทําเอาตัวอย่างมาที่ครับเท่านั้นแหละรครับไม่ยากเลยเจมแจ้งผมพูดแล้วนะจงใจพูดแล้วเกล้าฆ่าว่าแล้ว ร่าเริสรรพนามสนาร่าเริงคาว่าร่าเริงคือทำมาในสังสักสรรพกาลเสนนะเป็นต้นเนี่ ย, ยแปลว่าอะไรครับทําจิตของผู้ฟังให้ยินดีให้ร่าเริงด้วยการประกาศอานิสงฆ์แห่งคำวนะัะนั้นต้องเน้นขีดเส้นใต้กนะับคําว่าร่าเริงนี่คือประกาศอานิสงฆ์ ที่เราเรียกในภาษาสมัยใหม่ว่าประโยชน์ประโยชน์เนี่ยคืออนิสงส์เนี่ยท่านจะต้องใส่ไว้เสมอเขาล่าหรืออย่างทำไมที่ เ, เขาพูดถึงสัมโมทียกถาเนี่ยนะก็เพราะว่าเป็นการพูดถึงอานิสงส์คนก็จะบันเทิง อ, อนุโมทนาเรามักจะนึกว่าอนุโมทนาเนี่ย คือประกาศชื่อเจ้าภาพาผิดอันุโมท น, นาคือพูดให้เขาเบิกบานให้เขาดีใจได้อานิสงเพราะมันได้อานิสงที่เขาทำบุญผมไปฟังสมโมนทนียกถาอนุโมท น, นาในงา น, นต่างๆในวันทีพูดซ้นไปซ้ำมามันไม่มีประเด็นประเด็นจืดขาดอานิสง ว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรทําแล้มัดียังไงทอกรินมาดียังไงเลี้ยงพระดียังไงเอ่อมาเลี้ยงพระนกักเทศเนี่ยสมมุติเขาให้อานุโมทนายโยมมามาทําบุญให้กับพวกท่านมันต่างจากเลี้ยงพระทั่วไปยังไงเลี้ยงพระทั่วไปทําบุญที่อื่นนะโยม ธรรมดาที่ไหนก็มีได้สังฆทานคือบูชาพระสงฆ์เราไปถวายทานแด่พระสงฆ์เนี่ยถวายสังฆทานถวายส่วนตัวอะไรมันก็เป็นสังฆทานแต่มาเรียนพระนักเทศเนี่ยไม่ให้สังฆทานเนี่ยเดียวเป็นอะไรครับไม่ใช่บูชาพระสงฆ์เท่านั้น เรามีบูชาสามพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอยากจะบูชาพระพุทธเจา้าเอาของไปถวายพระพุทธเจา้าอยา่างเช่นถวายข้าวพระพุทธเนี่ยถวายเพนเนี่ยเรามีา พ, าพุทธบูชาถวายข้าวพระพุทธแล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงพระได้สังฆบูชาแต่ธรรมบูชาไม่ได้ เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งที่สาธานี่สาธกอ่ะโยมคนหนึ่งถือผ้าไตรชีวรไปที่วัดเชตวัฒน์ไปเจอพระเจ้ า, <c oughs> าก็ไม่เข้าวัดพระสานีบุตรก็ไม่เขาไว้เนินไปทั่วหมดจริงจริงไม่ไม่ไม่ไปหาพระเจ้าอกไปที่อื่นก่อนไปหาพระสารีบุตรก็ไม่เขาไว้ก็ี้ก็ไม่ไาย จนพระสงสายโยมจะถวายใครกันเนี่ยถือจีวรลอยไปลอยมาอยู่เนี่ยทําให้พระตามองตามอยูน่นันไม่ประเค้ก็ดีเลยโชบมาเนเื้อจะประเคต่อับไฟนอลอีก่แล้วจนพระตาเย็นโยมก็บอกว่าที่เอามาเนี่ยไม่คือทําบุญทุกอย่างหมดแล้วที่วัดนี่ ถวายพระเจ้าเป็นพุทธบูชาก็ทมแล้วถวายพระสงฆ์อย่างภาษาเรียบง่ายก็ทำแล้วเป็นสังฆบูชาแต่ยังขาดอยู่ท ร, รมัูชานไม่รู้จะไปถวายใครเป็นคำมบูชานไปถวายที่ไหนพระทั้งหลายก็บอกอาตมาก็จบปัญญาไม่รู้มันกันไปถามพระพุทธเจ้าไปแล้วครับพ่อไม่ถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าแบบบอกว่า ถ้าจะบูชาพระธรรมต้องบูชาพระที่ทรงธรรมะสอนธรรมะศึกษาธรรมะจำธรรมะเทศสอนธรรมะเป็นผู้ทรงธรรมธรรมทานอะ่ะแล้วใครลนะ่ะพระอรนุตเนี่ยเป็นพผูสูตรทรงจำธรรมะพ ร, ระใจไปโดดเคลื่อนที่ นั่นแหละการบูชาผู้ที่ศึกษาธรรมะจำธรรมะเทศธรรมะเนี่ยคือบูชาพระทับโยมก็เลยเอาผ้าจีวรไปถวายพระอนการถวายข้าวพระพุทธเป็นพุทธบูชาถวายพระสงฆ์เป็นสังฆบูชาแต่ถ้าถวายพระสงฆ์ที่มาเรียนเทศสอนธรรมะวัตประยุกต์เพิ่มอีกเท่าตัวกำลังสอง เป็นทัางสังขับูชาและรมบูชาหาที่ไหนไม่ได้นอกจากวัดประยูรนโย่หน้าเรียนไม่อย่างนี้โยมนั่งอยู่บนสอว่าจงใจอย่างนี้เออมีแต่ที่นี่เท่านั้นทบูชาเห็นไมนี่คืออานิสงส์ในการถวายทานได้ทั้งไม่ได้ทำบูชาด้วย และเป็นธรรมทานใช่ไหถ ย, ธธ ถ, วยรรถวายพระเจ้าเป็นพุทธฐานถวายพระสงฆ์เป็นสันตทานถวายพระทําเป็นธรรมทานเพราะให้กําลังแก่ท่านไปสองคำว่าอีกอุอาริสโสมไม่นนมหม า, มมหาเพียงแต่ว่าอต้องมาจื่อวัดปีเห็นอยากนี่คือฟังแล้วโอ้โหอยากจะมาทมําบุญอีกสำบันสนาร่าเริงบันเทือ นะครับเ จ, จ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเรอทีนี้ผมให้ท่านประเมินตัวเองใช่ไหมปกติเนี่ยท่านประเมินตัวเองโดยว่าท่านได้กี่ข้อเนี่ยในการเทศแต่ละครั้งท่านได้ 4-2 ครบเลย ทั้งแจ eng, um Yemen, ència, ้งแจ้งจงใจแก้กล้าละเลยให้เกรงนี่เพื่อประกันคุณภาพท่านเรียนแล้วท่านลองฝึกเทศแล้วได้4สอแจ้งแจ้งจงใจแก้กล้าแรงดังเนี่ยที่ผมได้พูดมาให้เอกรลอกเออมันยังมาฟังเทศตอนนี้มันแจ้งแจ้งคแลออได้3สอให้บ สองสอได้สี่ได้สักสอเดียวก็ยังดีได้ดีเทศได้แจ่มแจ้งหรือซาโลกอะไรหรือว่าได้แล้วแต่นะบางท่านเนี่ยพูดธรรมะได้แจ่มแจ้งเราก็ฟังบางท่านจูงใจเสียงดีรุ่งเกินน่าฟังนะเออถ้าเราประเมินในครั้ที่ท่านฟังไหนท่านฟักเท่าไรถ้าเสียงดีทําให้น่าสันทาจูงใจใครก็ได้ได้หนึ่งสอเสจูงใจ สมาธิขั้นปานบอกวิธีปฏิบัติสอนกรรมฐ า, านบอกขั้นบทตอนขั้นตอนปฏิบัติเด็กเขาเรียนสมาธิขั้นํนากรรมฐานนําอะไรก็แบบสมุดเตชนาแก้วกล้าโอ้ยทำให้เกิดกําลังใจนะมีตัวอย่างเรื่องไม่ยากอะไรต่างว่าหรือสามปัญัาศนาเสียงไพเรานะผมต้องมาข้อนี้สางั้อนะทําให้ได้จิตสงบก็ยังดีนะ พูดฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่า่วงนอนหลับยังมีปัสสุกกล่องดีจังเลย อ, อ็ได้สักข้อเลยนะแต่ถ้าหาอะไรไม่ได้สักข้อเลยไม่มีสักสอดเดียวนะสอบตกครับไม่จบกับสูตรนี้นี่คือที่ทีนี้ผมจะใหอ้อท่านตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่าง สั้นๆนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยแล้วก็คือสมมติว่าผมจะเทศเรื่องสังคขวัติสีที่ผมท้านมาท่านบาลีนี่ครับทานนันไปยวัชาังอัฏฐเจริยาสมานตะตาอิวาลิโคพิกเวจะตาริสังขวัตุดีติเนี่ยทานปิยาวาจาอัฏฐเจริยาสมานตะตาที่ผมได้เริ่มเอาไว้ผมก็จะ ทำยังไงมันเจ็แจ้จุงใจแกล้งล่าเลยนะครับทำยังไงที่จะทำให้เริ่มต้นให้ตื่นเต้นกลางให้กลมกลืนจบให้จับใจในสังวัตถุที่ใครประเทศเนี่ยนะครับท่านก็รู้ท่านกเคยเทศทานปิยะวาจา์จะใช้กบาลีนี้อ่ะ อุดเทศอยังไงผมไม่พูดอาราภ บ, บทยังไงไม่แต่เอาคําแปลก่อนนะครับเพื่อที่จะถือว่าเราต้องเตรียมตัวกับทานในวิากาลให้ปีญวาจาวาจาน่ารักอัธเจริยาความประพฤติประโยชน์สมานัตตาความเป็นผู้มีตนพอดีพิสูจนทั้งหลายสรุปสูตรสี่ประการนี้เลยนี่คือแปลกบาลีนี่นี่คือที่คําแปลนะครับท่านก็ได้แล้วบาลีนิกเขป บ, บทคําแปลแล้วก็เป็นเรื่องง่าย สร้างวตสี่ครก็รู้แต่ทำอย่างไรให้มันตอ่ตอตอ่ตอต้นตื่นเต็นกลางกลมกลืนจบจับใจทั้งแจ่มแจ้งทั้งจงใจทั้งแกล่ากล้าทั้งรา่าเริงอยู่ในนั้นหมดนะครับดูครับนัตบัตนีอะจตมาภาจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในสรคฆาวัตถุ ก, กระถาว่าด้วยวิธีสงเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองชรลองสัทธาระดับปัญญาบา ร, รมีเพิ่มกุศลบุญยราศีของท่านพุทธาศาสนิกนชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันนะักที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสึ่งต่อไปนี่คืออรารมณพระกถาเริ่มต้นเราต้องท่องนะครับพวกนี้เรื่องเนรุติเปสัมพิธาข่าต ท, ท่องตังจักเปลี่ยนเฉพาะกระถาเนั้น เพราะเพราะไอ้ตั้งนังโมห้าชั้นบาลีนี่ผมไม่พูดนะครับเพราะถือว่าเรียนมาถึงขั้นนะี้้วอาราพักฐาทีนิดต้นตื่นเต้นผมได้เคยสอนเอาไว้นะครับว่าอัตถาที่ายขยายจำแนกสอดแทรกภาสิทธิครอบคิดอุมาที่ทานสาโทยกสือประอรเนี่ยในหลักสูตรเมื่อวันพักก่อนเนี่ยนะครับผมบรรยายไปครบเลยผมจะไม่พูดซ้า ถ้าใครไม่เคยฝึกเอาเข้าไปในเว็บวัตประยุนยนะครับเรื่องหลักการและวิธีการเทศนาผมพูดเกือบสามชั่วโมงนะครับว่าทยังไงให้กลางกลมกลืนจะต้องมีนิเทศแปดขั้นตอนเนี่ยผมสอนไปแล้วผมถือนั่นว่าเป็นเบสิคเป็นพื้นต้นผมจะไม่พูดอย่างนี้นี้เพราะพวกท่านเรียนระดับ1นปีแล้วผมถือว่าท่านเรียนมาแล้วท้านไเรียนท่านก็ไปฝักไปซ่อมตัวเองนะครับผมพูด วันพัก15ค่ำที่ผ่านมาขึ้นเดือนเกือบเคลนเดือน่ะทีนี้ที่ผมจะบรรยายก็คือว่าเฉพาะเรื่องอธาาิบายเนี่ยทำยังไงให้มันเจนแจ้งนะครับก็นำเข้าสู่บทเรียนครับ <c oughs> <c oughs> ต้นตื่นเต้นแทนที่ผมจะพูดไปลอ ย, ยเรื่องสามวัตถุก็บอกว่าปารบเหตุการณ์สมมติว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยน่น ช่วงที่ผมเทศจริงเนี่ยหมูปา่าหมูป่าติดอยู่ในถ้ำวันที่ยี่สิบสามครับวันที่ยี่สิบเจ็ดของผมเทศนะฮหางมายี่สิบสี่ยหายีหกสาวันเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่เป็นข่าวพวกนี้เลยเป็นข่าวเล็กๆครับแต่ผมนําเข้าสู่บทเรียนเรื่องที่ผมเทศเนี่ยผมไม่ได้เทศเรื่องสารวัตถุนะครับผมเทศเรื่องวิสาสาัญยาการภัยที่เกิดจากความคุ้นเคย อะไรที่เราคุ้นเคยอย่าได้ไปไว้หวาดใจใครจะนึกว่าถ้ำที่เราเข้าออกอยู่ทุกวันไปเที่ยวอยู่ประจำมันจะเป็นไผยวันหนึ่งน้ำมันจะท่วมจนออกไม่ได้ใครจะนึกว่าเงินที่เขามาถวายวัดอยู่ทุกวันมันจะกลายเป็นเงินถอน <c oughs> โอ๊ยเธอเอ้ย <c oughs> ตอนนั้นแ่ะนะครับ <c oughs> ไม่ตลังนิด พอเรื่องเงินทอนแล้วหูพึ่งเงอยเทศรายละเอียดเรื่องรายละเอียดเรื่องนั้นเลย น, นะครับเรื่อง risk management การจัด ก, การความเสี่ยงแต่ว่าเทศเป็นครรมะท่านไปหาฟังจากเว็บเปอร์ไปดูเนี่ยของท่านผมเนี่ยเรื่องวิสาสะพยา ก, การมีเสียงให้ฟังมีภาพเลยแต่ผมปลารบเรื่องเด็กติดถ้ำแต่จะพูดเรื่องความเสี่ยง ย่าไม่ได้เทศเรื่องจิตอาสาลเลยแต่ตอนนี้เทศได้แล้ใครจะนึกปากกว่าถ้าจะเข้าเรื่องจิตอาสาเด็กติดถ้ำนี่จะเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกข่าวใหญ่ายงานไม่แพ้ออโคลโลลงดูดจัดทุกสำนักต้องมารายงานข่าวที่ท้ำหลวงหมดคนทั่วโลกดูทีวีในการที่จะช่วยเด็กหมด เหมือนกับอัลพาร์โลลงจักต่างอยู่ตรงที่อัลพอโลเป็นเรื่องนักวิทยาศาสตร์แต่ประเทศไทยนอกจากจะมีนักดำน้ำแล้วยังมีครูบ่าบุญชุ่มอีกด้วยออมีมีเรื่องลีลาติเขาบอกว่ามันมีทุกรถเริ่มอย่างนี้มันตื่นเต้นนะครับโอ้มันไม่ใช่สารขาวโพธรรมดาจิตอาสาเนี่ย คนมาเป็นหมื่นมาช่วยเด็กอยู่หน้าครับมาปรุงอาหารมาตัดผมแม้แต่พิซซ่าก็มีขายฝรังงมานี่งงมากเลยเพราะคนไทยมีจิตอาสาช่วยเองตัวเองดำน้ำเน่เป็นที่เอาทพิซซ่านัแจ่มาตัดผมและประเทศวันนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องเกาเรื่องเด็ก น้ำท่วมเพชรบุรีครับคนเดือดร้อนคนมีความทุกข์เราจะไปช่วยเขาได้อย่างไรเราก็จะได้เห็นคนไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันในยามยากน้ำมาน้ำท่วมภายนอกแต่ไม่ท่วมใจเอาอยู่ ตื่นเต้จะพูดเอาอยู่นี่มันจะเอาอยู่เว้ยเห็นไหมที่ผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของการนําเข้าสู่บทเทศให้มันตื่นเต้นไม่ใช่วันนี้จะเทศเรื่องสังฆทูตซีโยมาย ฟ, ยฟังจนเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรแต่พอปาโรบอย่างนี้นะหูผือเหมือนที่หลวงตาบอกติดผู้เป็นมงคล น, นี่เราจะพูดเรื่อง จิตอาสาพาเด็กออกจากทับหลวมที่จริงสาวัตุูดีเลยจะเห็นกระตูนในภาพมีน้าใจจิตอาส า, าทั่วประเทศทั่วโลกและในเรื่องนี้เนี่ยทำไมนะครับจิตอาสาที่ว่าเนี่สางวัตุูดีเราก็ขยายจำแนกนะครับว่าตอนแรกก่อนที่จะเข้าจิตอาสาเนี่ย เราจะบอกว่ามันมีสีอย่างครับวัตถุทานเนี่ยนะครับแยกเป็นตามวิษสถานเป็นธรรมทานขยายจำแนกการอธิบายต่างให้เราจะช่วยคนน้ำทวมที่เพชรบรีเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปช่วยแบกช่วยนำช่วยพานเนยเรือบริจาคเงินได้เป็นตามวิษสถานให้กําลังใจก็ได้เป็นธรรมทานเห็นไหมครับ ปีลวาจานี่ตัวอย่างที่ผมเทศจริงๆนะครับแต่ผมเทศนั่งพันธินั่งในหลวงตอนวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมปี66พันธินั่งกับบารินปียะวาจาหมายถึงวาจาไ า, จาไพโรอดหมายถึงการกล่าวคำสุภาพหวานสมานสมาธิรวมถึงกล่าวคำแนะนาําและปลุกปลอบใจด้วยความปรารถนาดีอันนี้ท่านไปหาอา่านหรือฟังได้ สารวัตถุกระถาแต่ว่าเป็นเทศนหน้าบันีินั้นทำไมผมจึงใช้สารวัตถุกราเพราะว่าผมบอกว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านทาสารพระราชาสีข่ข้อที่ขาดทรงเติมให้เต็มโครงการพัฒรากต่างพัฒ น, นาอาชีพที่ขาดทรงเติมให้เต็ม ที่เต็มทรงสอนให้พอเพียงเศ <Yeah. S 1> รษกิจพอเพียงที่ขาทรงเต็มให้เต็มที่เต็มทรงทำให้พอที่พอให้รู้จักแบ่งที่แบ่งทรงให้เป็นธรรมขาเติมให้เต็มด้วยฐานเต็มให้รู้จักพอพระบรมราโชว่าให้พอเพียง พอให้รู้จักแบ่งเรื่องอัตถจริยาแบ่งให้เป็นคำด้วยสม า, า, านะต่างรายละเอียดจนนั้นหในบทเทศนาคนไม่รู้กันด้วว่าเทศออลมาจริงเทศเรื่องเศรษฐกิจอะเพียงเรื่องศาสต ร, ร์พระราชดโดยใช้สารวัตถุอัตถกจริยาการตาเพียนประโยชน์หมายถึงการทำตบให้ เ, เป็นประโยชน์แก่คนอื่นรวมทั้งการตะเพียนสเประโยชน์ด้วยวิธีการตัด ช่วยแบกบช่วยหางช่ยจับช่วยทำอยู่บ้านท่านอย่าหนีรู้ได้ตั้งหัวบ้นควายให้รู้ละเลน่นนี่คืออธรรมจริยารน้ําท่วมเราไม่มีเงินไปให้เขาไปช่วยพายเรือไปช่วยโบกรถไปช่วยขับรถบริการสมานัตาตาวันตนพอดีหมายถึ ง, งว่าตนเสมอต้นเสมอปลายในการป้หาสมาคมกับคนอื่นทั้งยามได้ดีมีสุขหรือในยามจบลุกในหยาดเวลาเขาป่วยไปเยียบเขาว่าของอาจจะไม่ต้องอาไป นี่คือสมานนักตาามีทุกเรื่องทุกมีสุขร่วมสุขนี่คือภาษาในรูตีนเป็จําไม่ได้ผมพูดง่ายๆมีทุกเรื่องทุกมีสุขร่วมสุขเขาทุกเราไปเยี่ยมให้เขาเห็นน้ำท่วมโทไปก็ยังได้จบนั้นตายไม่กังก็ยังดีเลยเออมันจะห่วงเราเหรอมีอยู่พระวันหนึ่งนะ โอ้ยอยู่โรงพยบามาเล่าอยู่ที่การเปิดเทศนักเต้นในวอกสารเจ้าคุณวัดหนึ่งโอ้ยนอกไปเลยหัวใจอยู่เต้นเจ็ดนาทีหมอโทรไปที่วัดบอกว่าเตียนฉลาแน่แนวทั้งวัดแทนที่จะไปเยี่ยมกันนะเปิดห้อง ของออกเลยคนเอาของมีค่าทุกอย่างไปเรียกเลย <c oughs> เงินที่เตรียมไว้จัดทำบุญวันเกิดเกือบล้านบาทหายจ่อแต่เรากนเราหมอทำมีค่าอะไรฟื้นขึ้นมาได้กลับไปวัดของหายเรียบนี่มันสมาณาตาหรือเปล่าผมไม่บอกว่าวัดไหน ว่าท่านมีไหมนี่คือสมาธิตาตาลุบตาลใชเห็นไหมครับถ้าจะสังเกตในว่าที่ผมเอามาพูดมาเนี่ยมันโดนมันตรงประเด็นปึ๊งๆเลยนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ธรรมะตีความธรรมะแล้วก็ภาษสิทธินะครับข้อคิดออกมา ธรรมะทั้งสี่ประการเน้นเสมือนกาวใยนี่ที่ผมแจกเจียนนาที่ประสานสมาชิกในสังคมให้เกิดความรักสมัติสมานสามัคคีกันเช่นเดียวกับลิ่มสลักที่หัวเพลาของรถม้าพอยึดเหนี่ยวล้อรถม้าเข้ากับเพลาซึ่งทําให้รถม้าทั้งคันเล่นไปด้วยดีเห็นไหมครับภาษาง่ายง่แต่เป็นข้อคิดกลุ่ประมาว่าสาวัตถุเหมือนกาวใยเหมือนลิ่มสลัก เรื่องฐานข้าวตุ๋นสี่อาประวัติพระอินทร์มาครับมรรคมาณพเนี่ยได้ขึ้นไปบนสวรรค์เพราะให้ทานปริยาว่าจากอัคขาจริยาสมานตาฐานฐ า, านไปสวสรรค์ทะลประวัติพระอินทร์เหมือนท่ากนกำลัเล่าอยู่ เ, ออเพราะฉะนั้นพระอินทร์เนี่ยคือตำนานตัวอย่างของฐานวัตถุผู้ปกครองในบ้านเมืองก็ทำฐานวัตถุ จึงได้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองเช่นเดียวกับพระอินทร์ได้เป็นใหญ่บนสวรรค์ขุสารทานปยาวาจารธิบายสรรค์อาจารนี่คือนิฐานสาธุค่ะที่นี่คื อ, ค อ, คอจิตอาสานั่นเองในสังคมไทยความสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้ประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดท่านทาประโยชน์สุขโดยการให้ทาน พูดจาให้กำลังใจกันแล้วก็อัตตาจริยาไปอยู่หน้าถ้ำหลวงมันนี่หมดเลยครับนักดำน้ำจากทั่วโลกมาช่วยเด็กเมืองไทยโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่กระทั้งชื่อเสียงดำน้ําไปเรายังไม่รู้เลยว่าใครบ้านที่ไปพบไป็นร้อยคนนไนั่นคืออัตตาจริยาและเขาก็มาเป็นจิตอสานโดยไม่หวังผลตอบแทน จิตอาสาคือทำประโยชน์สุขแก่ส่วนรมโดยไม่หวังผลตอบแทนอาสาสมัครและไม่มีใครบังคับถ้าลักษณะจิตอาสาหนึ่งคนที่ทำจิตอาสาเสนอตัวเข้ามาคนเป็นหมื่นๆคนไปอยู่หน้าท้ำหลวงเพื่อช่วยเด็กไม่มีใครเกณฑ์เขาครับเขาเสนอตัวสองทำประโยชน์แก่คนจำนวนมากแก่แก่คนที่ติดถ้ำ เอาอาหารมาเลียแก่คนที่อยู่นอกครับจิตอาสาขนาะดสามไม่มีเกณฑมาครับไม่ได้จ้างมาเขามาด้วยความติดใจถ้าในวัดของเรานะครับอยู่ด้วยจิตอาสาเนี่ยจัด ง, งานวัดขึ้นมาท่านไม่ต้องเสียค่าตังค์เนี่ยโยมก็มาช่วยเป็นกรรมการมาช่วยแบกช่วยหามนี่คือจิตอาสาเพราะมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ของวัดและเขามาด้วยความสมัครใจด้วยความศรัทธานเนี่ยจะว่า ไม่หวังผลตอบแทนครับแม้อนุโมทนาบัตรก็ไม่เอานี่คือจิตอาสาแล้วทําด้วยอะไรครับจิตอาสาด้วยการให้ทานด้วยปิยวาจามาช่วยเช่นมาช่วยบรรยายมาอะไราต่างเนี่ยมาช่วยให้นำแนะนำปรึกปรบกับใจปิยวาจาอาทานจริยการใช้แบบงใช้นสมานนักตา ม, มาให้หนุนหน้าก็เป็นอย่างนีน้มีงานก็มาให้บุญคึ คือ ท, ทักหน่อยจะต้อนรับอย่างเช่นจะต้องรับจากนณะจังหวัดอย่างไงโยมฮะคนมาเข้ า, ขาแถวมันให้เขาโยมมากันเป็นร้อยอย่างนี้โอ้โหจะเอาวัดใดหน้านไนี่คือสม า, ต า, ตามนะต่างมีงานก็มาไม่ได้เสียสตังค์เลยเขากไม่ไจะจ่ายอะไรจะให้มาไี่เห็นราชการที่เก้านะครับนี่ก็บอกว่าจิตอาสาคืออาสาสมัครต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทํางานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๙ ก, ก็ส่งให้ประชาชนเนี่ยทำอาสาของวัตถุสิที่ผมเทศอะไรหน้าวันาาที่นั้นรัชกาลที่10 ป, ประชาชนจิตอาสาปัจจุบันเนี่ยเต็มไปหมดเป็นเอ่อเป็นสีหล้านคนเ่ยมาสมัครกัน ถ้าเราจะเห็นข่าวสองทุ่มเดี๋ยวกไปกวาดถนนไปํเาเรียกว่ารอบครองอย่างนี้ยไม่ได้รู้เลยว่าเป็นใครครับ แ, แค่มีหมวกก็ได้ชทานแล้วเขาทํางานด้วยอะไรสังเวชุ่นสีนั่นเลยและนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคนสักหลายล้านคนกนำลังทาและเราไ ม, ไม่ไม่เทศได้อย่างไรครับพล้วเราตีความไม่ออกว่าจิตอาสามันคือสังเวชุ่นสี ก, 4, ก็เลยไม่เทศกันตานเรา ประชาชนจิตอาสาเนี่ยที่เราจะได้ยินเสมอเราทำความดีด้วยหัวใจทุกคืนเนี่ยข่าวสำุักคำว่าทำดีด้วยใจ ค, คืออาสาครับไม่มีใครเกณฑ์และไม่หวงังผลตอบแทนและทำด้วย ส, สังกุลสีในกรณีนี้นะครับเราจะสังเกตเนี่ยฝั่งเนี่ยคนที่ช่วย ที่ไปพบเด็กสองคนแรกับฝรั่งที่ไปพบว่าชื่อจอรโนวลันเทนกับริกสแตนต์ไม่มีใครจำชื่อเขาได้เพราะเขาทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเขาก็กับไปประเทศอังกฤของเขาแล้วเราจะไปบอกเขาเป็นฮีโร่ปันไรมเขาเขาทำด้วยอาสาเขาไม่เขาไม่เอาหน้าปิดทองหลังพระทำดีโดยไม่เอาหน้านี่คือจิตอาสา แล้วอาณิสงฆ์เป็นยังไงครับทั่วโลกไม่เห็นคนไทยพรังเขาเขามาเพราะอะไรเป็นได้ร้อยคนแต่ครับเพราะเขาเห็นคนไทยดีลำใจอยากจะช่วยเด็กมาเกิเป็นหมื่นคนเขาเห็นทีวีถ่ายทอดแล้วเขอยู่ไม่ได้เขาต้องมาแล้วก็รักเด็กฝรั่งเขาก็มาพอมาแล้วนะครับคนนี้ครับเป็นร้อยเอกของ กองทัพอากาศสหรัฐจิตเจสตาให้สัมภาษณ์ทีวีนะครับผมดูตลอดมีคนมีคนที่มาอาสาสมากกัครอีกคนนะครับมาดำน้ำเราไม่เราไม่รู้เนี่ยเขากลับไปประเทศเขาสื่อต่างประเทศภาษาองังกฤษเขาสั ม, สมภาษต์ออกทีวีผมก็ได้ดูผมชอบประทับใจคําพูดของผู้หญิงคนเนในภาพนี้กําลังพูดเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขา มาด้วยอาสาลแล้วก็ได้มาเห็นคนไทยมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นหมื่นมาช่วยคนละไม้คนละมือช่วยแบกบช่วยหาช่วยจับช่วยทำโดยไม่ต้องเสียค่าโดยที่รับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกคนมาด้วยนดี๋ยใจมันเป็นภาพที่งดงาม ที่เขาประทับใจมากแล้วเขาก็บอกว่านี่คือ The beautiful culture เป็นวัฒนธรรมที่งดงามที่เขาได้มาเห็นว่าประเทศนี้สวยงามนั่นคือมีวัฒนธรรมที่งดงามทำให้คนมีนําใจเขาก็ภูมิใจดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้และที่คนไทยมีําใจเพราะ พระพุทธศาสนาได้กลุ่ฝังเรื่องสัพขาวัตุสีทาาปิยาวาจาอัฏาจริยาสมานตะตะและคนไทยก็ออกมาช่วยเหลือกันในยามยากในายามอะไรก็ตามไม่ทอดทิ้งกันและเป็นอย่างนี้มาตลอดต่างชาติไม่เห็นก็ซึ้งใจและชอบนึกไทยเพราะน้ำใจตรงนี้ชื่อเสียงเกียรติคุณก็ ข, ออรขจรขจายไปโัโลก จิตอาสาของไทยไม่ใช่ดังอยู่เฉพาะในประเทศไทยเหตุการณ์หมูป่า13ตัว13คนได้ทำให้กรณีจิตอาสาที่ท่าหลวมของไทยความมีน้ำใจของไทยขจรขจายไปทั่วโลกและนำขอสิ่งที่ดีนาะมมาสู่สังคมไทยที่ใดมีสังวัตุสี มีจิตอาสาที่นั้นน่าอยู่ที่นั้นเป็นสวรรค์นบนดินวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของวัดของเราด้วยจิตอาสาอันเป็นสนารวัตตุสิก็ทำให้วัดของเราเป็นสวรรค์นบนดินสรุปจบปฏินิเทศ เ, เชื่อมไห้เข้ากันเราจัดงานที่ไหนจะบอกตรงนี้ไปเป็นสวรรค์นบนดินเพราะได้ ทาทางไปสวรรค์ท่านทาสวรรค์บนดินแล้วท่านก็จะได้ไปสู่สวรรค์เหมือนมอัคคมานกในเรื่องประวัติพระเอ์ดังพันานามาพอสมพ้มควรแก่เวลาขอสมุจติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการับชนทีสา